กราบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้วันนี้มีคำถามแค่หนึ่งอันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโรงเรียนใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปโรงเรียนใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ให้ช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยครับว่าถ้าไปโรงเรียนใหม่แล้วแล้วคิดถึงเพื่อนต้องทําไงครับก็กอาบเขาเลย คิดถึงเพื่อนที่ไหนคะตอที่โรงเรียนเก่าอ๋อะถามพระอาจารย์สิมีู่้เพื่อนให้ทาไงทําแล้วอ๋ออ่๋อก็พูดโธไปเวลาคิดถึงเพื่อนก็ไปหาก็ไม่ได้ก็ให้พูดโธพูดโธไปให้ลืมเขาไปเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพายาจารย์อ๋อเวคิดถึงก็ไปหาก็ไม่ได้ก็ต้องใช้พูดโธพูดโธหยุดคิดถึงแล้วก็หาเพื่อนใหม่ เพื่อนใหม่กับเพื่อนเก่าก็เหมือนกันนะเดี๋ยวว่าคิดถึงเพื่อนใหม่เวลาไปอยู่ที่อื่นหนึใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ออเางั้นเพื่อนเก่าก็ก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงเขาออคิดถึงเพื่อนใหม่ดีกว่าคิดถึงคนไหนก็ไปหาเขาได้เลยดีไหมดีครับอาจารย์อ่าทำไมต้องย้ายโรงเรียนล่ะครับ เรียนจบนะ้วค่ะเรียนจบแล้วครับจบชั้นไหนแล้วตอนนี้น้าลูกเรียนจบชั้นไหนล่ะชั้นสามครับอนุบาลสามเลยใช่ค่ะพ่าจาันน่าจะไปเรียนชั้นปอนด์หนึ่งไหมใช่ค่ะพ่าจาย์เป็นโรงเรียนญี่ปุ่นรโ ร, รงเรียนอินเตอร์โรงเรียนออสเตรเลียนอินเตอร์ค่ะโรงเรียนออสเตรเลียนอินเตอร์ค่ะพอาจาย์โอเคชื่อว่าอะไรชื่ออะไรโรงเรียน <S a s b ครับ ไหนผูช you, ้ชราไหนเนี S ่ย AISB AISB Australian International School ของแบงค์เาใช่ปะอาจารใช่เลยเพื่อนดาวถูมนะโอเคขอให้หนูเจอเพื่อนใหม่ๆเยอะๆแะมีความสุขมากๆนะฝานวอสกันขอบคุณ ตุต้ยคอยพ่อเชิญมิถุนทันแข็งแรง น, นะคะวันนี้วันสุดท้ายโรงเรเยียนเก่าค่ะพ่ออาจารย์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขึ้นป .1 แล้วคะ <Okay. S 2> ่ะโอเคอ่าอชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไว้ตามการตามเวลา่ <S <S ชีวิตของเราจะเป็นขั้นขั้นไปเป็นตอนตอนไปเปมหมือนบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สาม เดี๋ยวก<ะ>็ถึงบทสุดท้ายเตรียมตัวเตรียมตัวรับบทสุดท้ายไว้ก็แล้วกันทุกวันเลยค่ะอาจารย์<ะ>คิดอยู่เสมอ<ะ>เลยค่ ะ, ะชีวิตเราเป็นอย่างนี้ันไม่เทีย<ะ>มยิ่งค่ะอย่าอย่าไปยืดไปตืงคิดว่าที่นี้เป็นเป็นการมา เปลียนหนังสือหรือเป็นการมาเขียนหนังสือเขียนนิยายเขียนนิยายชีวิตของเราอ่บทที่หนึ่งเกิดที่ไหนบทที่สองเรียนที่ไหนบทที่สามมีครอบครัวกับใครไปเรื่อยเรื่ยถเนื้อก็ถึงบทสุดท้าย่ก็กลับไปแบบไม่มีใครอีกมาคนเดียวก็ไปคนเดียวเอย่าหลงกับโลกนี้พุทธเจ้บอกอย่าหลง ให้เหมือนตนเพืเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัฒนาจากกันเป็นธรรมดาค่ะยิ่งวันนี้มีข่าวข่าวใหญ่ที่ออก <laughs> ทุกหน้าสื่อทำจิตใจห่อเหี่ยวไปนิดหน่อยคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้าง ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเขาสอนดีเขาชวนทำบุญดีแต่หนูไม่ได้คิดถึงเสียดายสิ่งที่ทำบุญไปนะเจ้าค่ะแค่แบบการละมสูตรมันไม่น่าจะช่วยค่ะก็ศรัทธาว่าต้องมีปัญญาด้วยต้องครควรไม่รอ บ, อบค้อบก่อนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนค่ะก็คิดว่าดูดีดูก็ ปฏิบัติตา ม, มเขาเรียวกว่าอะไรอะคะเอไกดให้เราเข้าใจเราก็ยังก็ยังก็ยังก็ยังคิดว่าขอบคุณเขานะคะที่สอนให้เราไม่สอนให้ไม่ไปงมงายกับสิ่งที่มันไม่ไม่ควรให้ค่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ไม่ได้เสียดายที่เราได้ทำบุญไปเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนว่าก็ คิดซะว่าเราทําบุญไปแล้วส่วนมันจะไปอยู่ตรงไหนยังไงบุญมันเกิดแล้วใช่ไหมคะอใช่บุญเกิดตอนที่เราให้ไปแล้วค่ะอาจารย์เป็นการสุขใจของเราแล้วส่วนเขาจะไปทําประโยชน์หรือทำโทษก็เป็นมันก็เป็นบุญเป็นกรรมของเขาค่ะวันนี้ดูข่าวแล้วก็อน้ําตาไหลเลยเพราะว่าบริจาคบ่อยมากก็ไม่เป็นไรก็บริจาคกับวัดได้ไม่ใช่แล้วใช่ค่ะอาจารย์รู้สึกรู้สึก แค่รู้สึกว่าเออไม่น่าเลยเนาะแค่นั้นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ปักใจว่าจริงหรือไม่จริงร้อยเปอร์เซนทั้งสองฝ่ายนะคะแค่แค่รู้สึกว่าเออเราจากนี้ไปควรต้องลงในความเชื่อมากกว่าเดิมมากขึ้นมากขึ้นค่ะอืมกาพูดยากนะเพราะคนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงการแท้เป็นยังไงอ่าพระอาาร ธรรมะของพระพุทธเจ้าแน่แทที่สุดเล้วคะอืมขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคลากรานมัชการเจ้าค่ะอ่าน้องพีน้องพีวันนี้นั่ตสมาีิได้หรือยังรกมาศการค่ะออกันไกว่ามัวนอยู่กับการประดิษฐ์คิดคนจะเป็นวิศวะ มีทุกตาอะไรไหมไม่มีครับอ่าไม่มีก็โชว์ชวตาออกโชว์หลงตาก่อนค่ะแล้วก็แป้งกาวออกก่อไม่เป็นไรหรกไม่เป็นไรตามไม่เห็นหรอกเป็นอะไรครับอยู่ข้งนเป็นกล่องเสียงครับกล่องเสียงเลย <laughs> อ่า เสียงออกมาเลยใช่ค่ะกดกดตรงนี้ปิดรีบปิดนะปิดปิดปิดอ๋อเป็นงานการบ้านที่ยังได้ทําเลยเปล่าค่ะทําเองค่ะอ๋อชอบเป็นนักประดิษฐ์นะใช่ค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอืมชอบต่อเลโก้ตั้งแต่ยังไม่สามขวบเลยค่ะก็ดีชอบต่อชอบอทําเขียนโค้ด ทำรถทำอะไรพวกนี้ค่ะก็ดีเป็นการฝึกจิตใจเป้อนหลงตาก่อนให้มีสติค่ะโ <Okay. S 2> อเคต้องสมาธิไหว้พระ ส, สมุมนนะอย่าลืมครับน้องอจะย้ายโรงเรียนก็จะย้ายเหมือนกันปีหน้าค่ะไปในแนวที่เขา อยากทําเลยค่ะแอวเกี่ยวกับพวกวิศาวาะอะไรพวกนี้เลยค่ะอืมก็เป็นบุญของเขาที่มีพ่อแม่คอยสนับสนุนต<ะ>ามความต้องการของเขา<ะ>เด็กเด็กบางคนไม่มีโอกาสจะได้เรียน<ะ>มีเด็กคนหนึ่งนี่เขาเขาจบหมหกแล้วเขาเอ็นได้นะแต่ทางบ้านไม่มีเงินส่งเขา<ะ>เขาเลยต้องไปทํางานที่นั่นเซเ่นแนนะคะอื ม, อม น่าสงสารจังอืมเนี่ยน้องพีก็ต้องตั้งใจเรียนนะได้ยินแ้วป่ะหลายคนที่ไม่ได้เรียนเรียนเก่งแต่ไม่ได้เรียนนี่น่าสงสารมากนด้ยินไหมอืมพอครับโอเคต้องจำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่มากๆนะเพราะถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะไม่สามารถทําอะไรได้อ่าได้ยินไครับครับ อืมโอเคนะมีอะไรใชไหมไม่มีมีค่ะโอเคสาธุค่ะขอให้หลวงพ่อท่าทางแข็งแรงนะคะจ้าพรุ่งนี้หนูจะไปกำบุญเลี้ยงพาเพลนสามสิบรูปค่ะจ้าดีจ้าสาธุอ่าไปที่น้องทีมต่อ้องทีมตอนนี้ได้ถดเก้าครึ่งละเก้าจุดห้าเลยค่ะนันะ่<า>นงนั่งสมาธิได้ถนัดเกนะ้าจุดห้าเลน ยังก้าจเชี่ยู่ครับยังก้ า, <ร>าอยู่เลยเรามีนั่งนิ่งขึ้นมากกว่รอก่อนครับนี่รู้ได้ไงว่านิ่งคุณแม่บอกครับอ้าว <c oughs> คุณแม่ก็เห็นแต่กับร่างกายแต่เขาไม่เห็นใจของเราเราเป็นคนที่ต้องเห็นใจของเราเองใจเรานิ่งไว้ไม่อยังไว้นิ่งครับก็ยังไม่ ค, มค่อยนิ่งเท่าไหร่บางทีก็หลุดครับนี่หลุดไปห้าเลย ไม่หาเรื่องแบบเกมอะไรแบบนั้นเอ้เกมแลดีไหมนะั่งสมาธิก็ดีขึ้นคะ่ะพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปเราจะควบคุมจิตใจเราได้ถ้าดีขึ้นเยอะคะ่ะพระอาจารย์ตั้งแต่นั่งสมาธิคือเขาควบคุมตัวเองได้ดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอะคะ่ะพระอาจารย์ ช่วยช่วยได้เยอะอะค่ะอาจารย์ใช่เวลาโมโหกยต้องหยุดมันนะอย่าแบบอย่าปล่อยให้พูดออกมาอย่าปล่อยให้ทําอะไรใช้พุทโธพุทโธพุทโธหยุดความโมโหไว้ก็ใช่ไหมก็ใช่ครับได้ใช่ไหมเนี่ยด้ใช่บ้างได้ใช่บ้างค่ะบางทีเวลางบนิดก็พยายามจะพุทโธไปค่ะอืมอืม ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เพราะว่า่คุณพ่อก็เห็นตอนเขานั่งสมาธิก็มีบอกเหมือนกันว่าเออเขานั่งได้นิ่งขึ้นคือคือนิ่งคือไม่ได้หมายความว่าไม่ขยับนะคะคือมีขยับขยาบน้อยลงขยับน้อยลงต้องถือว่าน้อยลงกว่ากว่าช่วงที่นั่งเอกันแรกๆหรือว่าที่มผ่านมาค่ะพระอาจารย์ที่เหลืก็ค่อยๆพัฒนาไปค่ะพระอาจารย์ก็ ก็ดีตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ให้นั่งสมาธิสวดมนต์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอิดออดอะไระ่ะคะก็ก็เหมือนรู้ว่าเป็นรูทีนว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอะไรแบบนี้ค่ะใช่นี่<ะ>นที่พ่อแม่เป็นผู้ที่จะให้เขาสิ่งที่ดีๆกับเขา<ะ>ถ้าไม่สอนเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนี้ ให้ให้เขาไปอ่ะค่ะเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนก็ก็ก็อยู่ที่ตัวเขาอะค่ะพรอาจารย์ใช่ระ่ะเวลาที่ให้ก็ให้ไปอดไปเดี๋ยวนี้เข้าซูมเขาก็รู้แล้วว่าเออทุกวันพุธเขาต้องเข้าซูมนะเขาต้องแบบล็อกอินให้คุณแม่เข้าซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าโอเคขึ้น เ, เดี๋ยวนี้เป็นรูทีนเรียบร้อยและก็ก็ก็ดีค่ะพรอาจารย์โอเคค่ะส่งคุณแม่ไม่มีคําถามค่ะพรอาจารย์โอเคครับทุกท่า ค่ะเข า, าใหพะาอาจารย์ท่าน่งเนอย่เริ่มปฏิบัติไปเรื่อยๆนะรักษาระดับการปฏิบัติไวอ้อย่าให้มันอย่าให้มันแผ่วลงค่ะต้องให้มันขึ้นไปเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธุค่ะอ่าเจที่วันนี้เจที่มาคนเดียวเลยไปย่ที่ไหนตอนนี้ไม่ไดอยู่บ้านนี่บ้านนักการพระอาจารย์ครับอยู่อยู่บ้านอีกห้องครับพอดีว่าพอดีว่าจำมัดป่วยวันนี้ครับ ป่วยเป็นธรรมดาครับปยเป็นธรรมดานะเป็นอะไร <S <S เป็น <ไข S 2> หวัดไ้ <S <S ขึ้นครับโควิดไม่รู้เป็นไข้ขึ้นครับไข้ขึ้นอืมก็บอกจกนั้นว่าหายหายเร็วๆนะครับอืมอาจาตีจะทาหน้าที่แทนได้ไหม <S <S ได้ครับไม่เียสตกครับดได้ไเอามาเอาม า, มา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 มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสึดไปเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่ น, นี้ทุกวันทุกวันเถ อ, ออ่พิจรารณาอยู่ไอวไหมพิจรารณาอยู่ครับ อ, อ่อยายอมรับได้ไหมวาความจริงอันนี่จะต้องไปขึ้นคำนอได้ครับเอเค okay. ทำแต่บุญนะอย่าทำบาปครับร่างกายเราเป็นยังไงบ้างสวยไหมไม่สวยครับเพราะอะไรเพราะมีอาการ3 2ครับแปลว่ามาเลยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังพืดไตบอกเส้ใหญ่เส้น้อยอาหารใหม่ อาหารเกลือมีอะไรสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสร็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมัเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสร็จน้ำดีมีอะไรสมองศีรษะ อาหารเก่าอาหารใหม่เส้ยน้อยเส่ยใหญ่บอดไตผังผืดกลับหัวใจมา้าเยี่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมอเก่งมากครับ <laughs> ผมครับอืาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ฟังเท่องได้มันก็มา อ, อย่ามาย้ายแพ้เด็กนะ <laughs> โอเคมีคำถามอะไรไหม <laughs> ไม่มีครับ โอเคยัง okay. ก็ไปทําหน้าที่ต่อคุณแม่อยู่ที่ไหนอยู่ดูแลจำบานอยู่อีกห้องหนึ่งครับโอเคก็คอยดูแลพี่นะโอเค <Okay. S 2> กลับขอบคุณขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอาเธอไปที่คุณทับคุณทับกรับในมาตรการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรไหม ยังไม่มีครับท่านการสามสิบสองได้ไหมท่านยังยังไม่ครบ ย, ยังไม่ได้ครบต้องต้องต้องดูยังเสริด้วยครับยั <c oughs> งจะไม่ได้หมดครับแต่ <c oughs> ว่ายังประมาณอยู่ <c oughs> ไมอ ไ, ไม่ประมาณมันต้องรู้เรื่องร่างกายของเราอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดมีอะไรบ้างเรายังไม่รู้ไงมันจะไปรู้เรื่องชาวบ้านเทามากกว่านะ ว่าคนนั้นเป็นแฟนกับใครคนไม้เลือกกับใครกลับไปสนใจเรื่องชาวบา้านแลเรื่องของตัวเองไม่รู้จักตัวเองเลยครับนะศึกษาเรืเ่องตัวเราเองดีกว่าครูเจ้าสอนอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นครั่างกายของเรามีอาการทาท้ท32มีเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นดินน้ำลมไฟต่อไปก็ต้องเป็นซากศพไปเป็นสิ่งดีดี เป็นความรู้ที่ดี ม, มีคนมีประโยชน์ต่อใ จ, ใจิตใจดีกว่ไปรู้เรื่องของชาวบ้านเนระื่องของคนนั้นคนนี้ใครเขาขจะโกงเรื่องของเขาไปไม่ใช่เรื่องของเราตราอย่าไปโกงก็แล้วกันครับผมนะครับผมโอเคไม่มีคำถามนะไม่มีครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับโอเคไอทิซเลนทอน วันนี้มาเล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่กธาธรรมะเลยคาะพระอาจารย์กานรรมสการพระอาจาร์ค่ะหนูกลัวจะไม่ได้เข้าพระอาจาร์หนูเลยรีบเข้าเลยเพราะว่าหนูไม่ได้ไม่ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์หลายอาทิตย์แล้วค่ะก็ค่ะตอนนี้ก็ดีค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เหลือเอเวลาอีกสองอาทิตย์ก่อนที่จะกลับอะค่ะ ก็ทํางานอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ทํางานอยู่ใช่ไหมัช่ค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ต้องทํางานคะ่ะยังใช้เวลาที่อเมริกาในการทํางานอยู่คะะ่ะอาจารย์อค่ะก็ที่ผ่านมาหนูก็ที่ไปปฏิวัตปิปฏิบัติที่บนเขาก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็เจริญสติทั้งวันแล้วก็ก็มีความรู้สึกว่ามันสงบอะคะ่ะแต่หลังจากที่กลับมาที่กรุงเทพหนูรู้สึกว่ามันวุ่นวายหนูรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเอ ญาติพี่น้องเขามีปัญหาทางใจซึ่งไอการที่หนูดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าจริงถ้าเขาใช้ธรรมะในการแก้ไขมันจะง่ายมากแต่ใจเขายังไม่ยอมเปิดรับหนูก็ได้แต่พูดนิ่งๆพูดพูดผ่านๆให้เขาได้ยินเท่านั้นเองะคะ่ะอือแล้วก็ปฏิบัติของเราไปก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเขาอยู่กัความโลภกดลงของเขาอยู่นั่นแหะค่ะแล้วก็มีปัญหาทางจิตใจทางความคิดอะนะคะหนูก็ ว่าทำไมไม่ลองมาสมาธิดูอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่เหมือนเขาก็ไม่พร้อมเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับความคิดของเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้เท่าแท้เท่าที่ทำได้ที่เหลือหนูก็บอกว่าเอาตัวเองก่อนอต้องอย่างเงียรอดก่อนค่ะก็แต่ปฏบิบัติบนเขาก็รู้สึกสงบสงบดีนะคะพระอาจารย์มีอะไรไหมไ ม, มีอะไรพิเศษหคือหนูขอยอมรับว่าครั้งนี้ไปหนูได้สติมากเลยค่ะพระอาจารย์ เพราะพูดโทตั้งแต่ตื่นจนหลับนะคะ่ะ mm hmm. แต่เวลาหนูยังปรับเวลานอนไม่ได้มันมีตรงที่ว่ามันติดนิดนึงอะค่ะว่าช่วงที่หนูไปนี่ฝนมันตกทุกวันแล้วมันมียุงอยู่ในห้องเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์อ mm hmm. หนูก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เวลานั่งเนี่ยพอจะลงจะนั่งสงบปุ๊บมันก็ได้ยินเสียงยุงบิน mm hmm. <laughs> มันก็เลยกลายเป็นว่ามีความระแวงอะค่ะพระอาจารย์หนูก็ mm hmm. กลายเป็นว่าเวลาเดินจงกรมต้องถือถ้วยพลาสติกใสๆแล้ว่อยจับยุงแล้วก็เอาไปทิ้งข้างนอกเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็หนูก็นึกว่าหนูจับหมดแล้วตื่นขึ้นมาทำไมคัน <laughs> มันยังเหลืออีกสิบกว่าตัวจับอย่างเงี hmm. ้ยค่ะแต่ก็คิดว่าจเจริญสติแล้วก็มีความสงบหนูว่าหนูหนูชอบบนเขาหนูว่าหนูชินกับความเงียบอะคะ mm ่ะ hmm. มากกว่าแล้วก็กลับมาก็รู้สึกว่า เท่าทันรู้เท่าทันมากขึ้นนะคะพระอาจารย์หนูรู้สึกว่า ส, สติเราไวขึ้นนะคะแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็ยังนั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมตอนเช้าอะคะ่ะตอนกลางคืนก็ทํางานตอนกลางวันก็ไปทําธุระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเออก็ไม่มีอะไรนะคะพระอาจารย์หนูก็นั่งอ่านหนังสือดูออ่กายคตาสติดูอาการสามสิบสองอย่างเงะะี้ยค่ะนั่งพิจารณาดูไปเรื่อยเร mm hmm. ื่อยรื่อยเรื่ยอยูก็ก็สงบดีค่ะพระอาจารย์ ให้มันฝังอยู่ในใจภาพเราใช่ค่ะพระอาจารย์กหนูก็ไม่กลัวตีสามตีสี่หนูก็ขึ้นมานั่งดูหนังสือดูนะคะก็รู้สึกก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยรู้สึกสบายระหว่างปฏิบัติคนเดียวกับปฏิบัติปฏิบัติกับกลุ่มนี่ต่างกันไหมมันคนละแบบค่ะพระอาจารย์เวลาปฏิบัติคนเดียวเนี่ยเราจะเร่งเต็มที่อะไรยังไงก็ได้กี่โมง ก, มกี่ชั่วโมงสมมุติเราจะทําไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องรอใครเราจะรับประทานอาหารกี่โมงมันเป็นเรื่อง แล้วแต่เราเลยแต่ถ้าเราไปเป็นกลุ่มเนี้มันก็มีมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติเราเราก็จะมีกําลังใจในการอยากจะไปปฏิบัติด้วยแต่ถ้าไปเข้ากลุ่มกับคนที่เป็นผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยมันมันก็จะไม่ค่อยคือมันก็จะกลายเป็นว่าได้ยินบางทีได้ยินเสียงเขาหลับอย่างเงี้ยเรากรน อ, อย่างเงี้ยมันก็เหนเหืนาา่อยพอจ้าแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติที่มีมีพื้นฐานแล้วเขามีความรับผิดชอบว่าถึงเวลาต้องมาปฏิบัติ มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําเราต้องทํานะอย่างนี้ยค่ะ mm hmm. มันก็มีข้อดีข้อไม่ดีแตกต่างกันครับอาจารย์ mm hmm. ค่ะแล้วก็หนูอาทิตย์หน้าหนูก็จะไปปฏิบัติอีกรอบหนึ่งคนระัอาจารย์เ mm hmm. อฏิวัดหนึ่งนะคะคราว น, mm hmm. นี้หนูจะพาลูกสาวไปด้วยอะคะ่ะเพราะว่าเอ อ, อันนี้จะเป็นปฏิบัติแบบเป็นกลุ่มอะคะ่ะอาจารย์อื mm hmm. แบบแต่ทั้งวันเนี่ยเขาจะนั่งเดินนั่งแค่ประมาณสามสี่ชั่วโมงเองนะคะหนู mm hmm. พาลูกสาวไปให้เขาเริ่มให้เขาเริ่มก่อนนะคะหนูยังไม่ทราบว่าเขาจะไหวไหมแค่สามสี่ชั่วโมงแต่แต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราปฏิบัติคนเดียวเราลุยไปเลยสิบชั่วโมงเนี้ยไม่ไม่เป็นไรแต่นี่หนูก็คิดว่ารอรอลูกก่อนให้เขาเราจะได้วางใจได้ให้เขามีที่พึ่งทางใจอย่างเงี้ยค่ะอืมเด๊ะถ้าเราไม่พาเขาไปเขาก็ไม่ไปเองนะค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยหนูแอบอิจฉาคนไทยนะคะว่าที่มีสถานที่ปฏิบัติให้เลือกมากมาย ของมันไม่มีทางเลือกเี่ยค่ะไม่มีให้เลือกมากแต่พอเรามาเราหนูก็บอกลูกบอกว่าโอกาสมันมันอยู่ตรงเนี้ยปฏิบัติเถอะอะไรเงี้ยเริ่มนิดนึงแล้วก็โชคดีที่ว่าเขายอมไปด้วยค่ะแต่ไม่แล้วเขาจะไหวไหมนะคะเพราะปกตินั่งดึงนั่งดค่ะเขาไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแต่เขานั่งมาตลอดอย่างียค่ะก็ขอ แล้วก็เอวันเสาร์นี้หนูจะไปะใส่ปากพระอาจารย์นะคะหนูจะพัะพกพาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบพรอาจารย์ด้วยค่ ะ, อะโอเคพว้ใจกันนะค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะคะโอเคาธุคุณหมอพระสนากราบในมรสการค่ะพระอาจารย์ก็พอดีวันเกิด ค, คุณพ่อครบเก้าสิบนะก็เลยคุณพ่อเก้าเอ็ คุณพ่อก็เลยอยากมากราบพระอาจารย์วันนี้พาคุณพ่อมาจะไปแม่จางที่ลาปางตอนนี้ี่ซื้อโลกค่ะนะคุณพ่องอคุพ่ อ, อยากมากราบ <c oughs> อยากมากราบพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมอายุเก้าอ็ปีครับ ส, สุขสันต์วันเกิดขออยู่เป็นรป อ, อยู่อไ้เกิน100นะรน้อยปีนะคพอเกินร้อปีนะคพ่อครับ่คุณพนอน่อครับจะพยายามทาตามที่พระอาจารย์แนะนาครับพยายามฝึกสติบ่อยๆนะครับมีสติ ควบคุมความคิดหยุดคิดนั่งสมาธิทำใจให้สงบนะครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณพระอาจารย์เลยค่ะคุณพ่อก็ได้พระอาจารย์มาคุณพ่ก็พยายามก็ให้กําลังใจกันชค่ะ <S <S <ช>คุณพ่ออยากไปบ้านที่บ้นนานเก่าที่แม่จางก็เลยพาไปอ่าเยส่วนตัวเองก็ปฏิ ค, ค่ะส่วนตัวเองก็ปฏิบัติตลอดนะคะเวลาไปไหนเมื่อไหนก็ก็คือมีเสือ ข, ของว เ, เองมานะคะไม่เคยนอนในที่นอนโรงแรมตั้งแต่ ก็แหน่สินไปมาก็นอนพื้นตลอดนะคะอาจารย์เพราะนอนง่ายอยู่แล้วนอนก็บพื้นได้เราก็ต้องของเงินคืนจากโรงแรมด้วยเรามันได้ใช้เตียงอ๋ อ, อก็ทําบุญโรงแรมไปไม่เป็นไรค <laughs> ่ะอาจารย์เข <laughs> าให้มาก็คิดว่าไปนอนบนเตียงใหญ่ <laughs> <laughs> นอนไปเลยเรานอนกับพื้นอยู่แล้วเ <laughs> พราะว่าจะมีแบบมีเสือมาเพราะว่าบางทีมันเย็นมากเ ก, กินมันเป็นห้องแอร์ไงะคะก็เลยเอาเสือมาอางเดียวแต่ไม่เคยนอนเตียงโรงแรมนะคะอาจารย์ตั้งแต่บอกพระอาจารย์อืมเนี่ยค่ะแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวไปไปเดือนเราค่อยไปวัดบอกคุณพ่อแล้วว่าขออนุญาตไปวัดสักห้าวันคือไปห้าวันทุกเดือนเพราะว่าข้าพันษาพระอาจารย์ก็ยังสงบร่มเย็นอยู่พระอาจารย์แล้วก็มีกําลังใจแล้วก็มีแรงด้วยชอบมากเลยครัพระอาจารย์รู้สึกดีค่ะสู้ต่อไปพิธีเยอะเลยครับพระอาจารย์รู้สึกดีค่ะพระอาจารย์พี่หนุมก็ยังทํานะคะแต่จะไม่ยอมเข้าค่ะถ้าเกิดอบคุณครัพระอาจารย์อไปที่คนตายคนตายยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ย น้องกล่าวพระอาจรค่ะกลับแล้วค่ะพระอาจารย์แต่นั่งทํางานที่บ้านอยู่ค่ะอืมก็นั่งเอาเอาห้องเรียนงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดนะทําได้ตลอดใช่ค่ะคอันนี้ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีใครทาครับอาจารย์หาเรื่องให้ตัวเองแต่คิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตั้งหลุบช้นให้ได้ค่ะพระอาจารย์ทั้งวันมาจะคิดว่าปู่ทาไปทำไมวะทํำ ตาไปกูกเอาไปไม่ได้ยงขึ้นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้แบบว่าโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่ามีอะไรเพิอมเลยแต่ก็แต่ก็ทําให้หนูค่ะพ่อจย์แต่ว่าอินไนใช่ค่ะใช่ค่ะทำให้เขาก่อนก่อนให้เขาก่อนเราจะได้แบบว่าพอบ้านไปจริงๆเราจะได้ไม่ต้องมีห่วงนะคะพ่อจันอยากจะหลุดพ้นได้ง่ายขึ้นค่ะพ่อจัน <Okay. S 2> วันนี้ต้องไม่มีอะไรค่ะก็ ต, ต้องเรียนแทนพ่อจ๊ำก็คุณพ่ อ, อไปที่สันโดษกับคุณยายอวันนี้คุณพ่อเขามาร่วมด้วยลวเลยอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้ชวนคุณพ่อมาสําเร็จแล้วครับเอาที่แล้วท่านหน่อยเลยต้องนึงเข้ามานะ <c oughs> จริงๆพ่อาจารย์พักหลายรอบแล้วก็เลย <c oughs> ไปไ ป, ไปพาเข้ามาครับอาจารย์เป็นไงคุณพ่อสบายดี สบายดีครับอาจารย์ครับเออสนใจธรรมะบ้างไหมสนใจเรื่องอะ้ครับสนครับก็ก็อ่านหนังสือธรรมะอะไรวกนี้ครับแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ให้มีสติรูตัวรู้สึกตัวทั่วพองอครับประยันได้สมาธิบ้างไหมก็น้อยครับแต่ว่าก็ก็ดังอยู่ครับอออย่างน้อยทําวันนั้นสักหนึ่งครั้งก็ย่างดีนะได้ครับอ่าครับ เป็นของดีของวิเศษใช่ครับใช่ครับความสุขบันเดื่ออันประเสริฐอยู่ที่สมาธิเนี่ยครับ mm hmm. เห็นเห็นคุณาของการนั่งสมาที่อยู่ครับท mm hmm. าให mm hmm. ้เกิดปัญญาแล้วก็ไม่ไม่ยึดมันไม่ยึ ด, ด mm hmm. อะไรประมาณเนี้ยครับประเทศไทยเรานี่มีของวิเศษมีพระรัตนตรยัยเป็นของวิเศษครับผมพยายามเข้าหาพระรัตนตรยัย mm hmm. ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัตินะเ้าจะเข้าถึงว่าแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงดียินดีด้วยที่เข้ามาร่วมกันอ๋อครับผมแต่จริงก็เวลานโมก็ไปหาพระอาจารย์ที่ที่วัดก็ติดตามมปจะรอหนะครับเป็นเบื้องหลังมากกว่าวันนี้เขาเรียกมีอภิชาตบุตร เป็นลูกดีเรียนเรียนหนังเรียนเรียนหนังสือนะครับทำงานทางานครับเป็นอาจารย์ครับก็ดีมีลูกเป็นคนคอยดึงให้เขาหาทำอยู่ใช่ครับก็โชคดีครับก็ถือว่ามีบุญดีดูก็สบายใจด้วยลูกไม่เกเรใช่ครับผมลูกที่สนใจธรรมะสัญญาจะไม่เกเรจะไม่ไม่ไปมัวมัวสมกับอบายมุกต่างๆ เอ่าผมจะตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อศาสตว์สุดเจริตอ่ากวางตันยูกตดเวทีเป็นต้น<ม>ค e? <ผม S 1> รับผมนีคอ่าขอบคุณครับอาจารย์วันนี้มาภาคุณยามากราบอาจารย์เช่นเคยแล้วก็พยายามต่อบไปอยู่ค ร, รับอาจารย์อพยายามเจริญสติบ่อยๆอ่า<ถ> bon. สตินี้เป็นธรรมะที่สํสำคัญที่สุด ครับไม่ไม่มีสติแล้วทำอย่างไงไม่ได้ก็พยายามออกมาใช้ในชีวิตประจําวันเพราะตอนนี้ยังประกอบอาชีพอยู่ครับอผู้ป่วยอีพาราต้องเรี้ยงโลกสองโลกเหมือนใช่ครับความกลัวแล้วก็ต้องเรียงบากเลี้งท้องใช่ครับอืก็ทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้ข้าพยานมันเพียงใช่ครับครับโอเคอาจารย์ท่านแข็งแรงครับ ้สาธุครับคุณผูณ<อ>้โอเคใครใ้ายคุณดิศยาวันนี้มีแบ็คกราวน์ใหม่เมันเขาววันอะไรใช่าหนชำมัำสการ์ข่าพระอาจารย์ค่ะศาลาบนเขาใช่ไหมใช่ค่ะพอาจารย์<ม>ค่ะมีหนูมีคำถามนิดหน่อยค่ะพอาจารย์คือว่าหนูเจอว่า ตั้งแต่ตอนที่สองประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่โนบอกว่าเริ่มเข้าเข้าสมาธิได้อะค่ะพระอาจารย์หลังจากที่หลังจากผ่าตัดไปแล้วมันเข้าสมาธิได้ยากมากมากอ่ะค่ะแล้วณเหตุหลังจากออกจากสมาธิมาค่ะไปเจอปัญเจอปัญหาพอดีค่ะแล้วก็คือมีคําพูดของคนคนนึงบอกว่าเออทาไมถึงกังวลเกี่ับคําพูดของคนมากเกินไปแล้วหนูเอามาพิจารณาค่ะพระอาจารย์ แล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปแคร์คาพูดของคนทําไมแล้วมันรู้สึกสบายขึ้นนะคะพระอาจารย์หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหนูปกติหนูนอนไม่ไม่เคยหลับเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่กลับบ้านกลับบ้านมาที่ใต้เนี่ยค่ะประมาณแบบห้าปีมาแล้วที่นอนหลับไม่ค่อยเป็นสุขหรือช่วงหลังๆนี่คือนอนหลับแทบไม่ได้จนต้องใช้ยาพวกเมลาโทนินกินค่ะพอหลังจากที่พิจารณาแบบนั้นหลังจากเข้าสมาธิแล้วหนูเพิ่งนอนหลับได้มาประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะพระอาจารย์ ปัญญาเรื่องการพิจารณาเรื่องคำพูดของคนนะคะมันช่วยได้ค่ะเลยหนูมาเจอหนูก็เลยหลังจากที่หนูก็เลยมาเจอว่าอ๋อที่จริงะคะ่ะพระอาจารย์คำพูดของคนมันมีผลกับชีวิตหนูหนูมากๆขนาดนี้ค่ะหลังจากพิจารณาเรื่องนั้นนอกจากนอนหลับได้ก็คือสามารถตื่นไปทางานแล้วก็มีแรงในการทํางานค่ะปกตินี่คือแบบเหนื่อยแล้วก็เพลียะคะ่ะพระอาจารย์เลยเพิ่งมาเจอคะ่ะพระอาจารย์ว่านี่คือ ผลจากการที่เราหนูไม่คิดว่ามันจะมีผลขนาดนี้ค่ะพระอาจารย์ปล่อยวางเลยปล่อยวางก็ใจก็เบาอะไรก็สบายเอาแบกมันเอง <ๆ S 1> เอามาคิดอยู่เรื่อยๆอะรก็เขาพูดหลายคำนั่นนี้เขาพูดตั้งแต่เช้าตอนเย็นก็ยังนั่งคิดอยู่ค่ะเรียกว่าแบกแบกโลกแบกแบกเรื่องราวต่าง ๆ, ๆ ต้องปล่อยวางมันเกิดแล้วก็ดับแล้วมันอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้อันนี้จังมันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วอนัตตามันจะมาหรือไม่มามันเราก็ไปสัมมันไม่ได้มันมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปจบใช่พระอาจารย์แต่ว่าตอนปัญหาตอนแรกคือเหมือนไม่รู้ตัวนะคะว่าเรากําลังเครียดเรื่องนี้จริงๆเหมือนจะว่ารู้สึกว่ามัน มีปัญหานี้ผุดขึ้นมาแล้วเราพยายามใช้เบรกหยุดมันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแบบเบรกกาลังอ่อนๆที่มันรู้สึกว่ามีความบีบคั้นมาเรื่อยๆแต่ไม่คิดว่ามันจะหนักมากขนาดนี้ค่ะพระอาจารย์อืมค่ะก็ดีถือว่าเป็นบุญของเราที่ได้ได้แก้ไขปัญหานี้ลดลงไปได้ค่ะแต่ก็ อ, อยากจะทําแบบแก้ไขปัญหาอื่นๆนะคะเพราะว่าเริ่มสังเกตแล้วค่ะว่าจริงๆมันมาจาก หลักๆอาการป่วยส่วนใหญ่มาจากจิตของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์ที่เหมือนกับพอยิ่งคิดปุ๊บมันไปทำให้กายของเรามันอักเสบค่ ะ, คะพระอาจารย์ค่ะนั่นแหละพะยายามรักษาใจให้สงบแล้วปัญหาทางกายก็จะไม่มีเกิดขึ้นจากใจค่ะพระอาจารย์คือบางทีปัญหาบางบางอย่างที่หนูเจอค่ะคือ หนูสงสัยอะค่ะว่าอันนี้หนูทําถูกหรือยังจากจากอันนี้คือทําถูกหรือยังตามหลักเหตุและผลนะคะพระอาจารย์และที่พระอาจารย์เคยบอก ว, ว่าเวลาจะตัดสินอะไรให้ดูจากเรื่องสีนใช่ไหมคะว่าคนนั้นมีศีนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายปีที่แล้วหนูฟังทำจากพระอาจารย์นะคะเอาหลักนี้มาใช้ได้หรือเปล่าคะที่อความจริงเจ็ดประการหรือที่เรียกว่าสับบุริษธรรมเจ็ดนะคะที่คุณ พระอาจารย์เคยบอกว่าให้พิจารณาเรื่องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สถานที่แล้วก็รู้ประมาณประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ในการพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนี้ถูกหรือผิดก็แล้วแต่กรณีไงเมื่อเราเกี่ยวข้องกับใครถ้าเกี่ยวข้องกับคนเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นใครเขาเป็นบุคคลที่ สูงกว่าเราเท่าเราเร่องต่ำกว่าเราเช่นเขาเป็นพ่อแม่เรานรือเขาเป็นลูกเราน่พิธีปฏิบัติเราพ่อแม่กับปฏิบัติกับลูกมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนเราอีกต้องรู้รู้บุคคลเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นใครเรามีสถานภาพอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นเป็นบ้านหรือเป็นเป็นโสตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้ รู้จักตนเองเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นโยมก็ต้องประเพิ่มอย่างหนึ่งเป็นพระก็ต้องประเพฤ่มอย่างใช่ไหมอันนี้คือการรู้ตนต้องปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมกับกรณีตัวเราเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นใครแล้วคนอื่นที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครอือันนี้รู้มาจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องคนที่เขาสูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพน้อมนะ้อม คนที่อ่อนกับเราเราก็ให้ความเมตตาเขาดูแลเขาไปคนที่เท่าเราเราก็ให้ให้บเบคขาไปเฉยๆได้ยังไงก็ได้ครบอาจารย์ซึ่งบางทีบางทีหนูไม่มีปัญญาเรื่องนี้ค่ะทักษะนีต้ต่ำบางทีอาจจะต้องมาถามพระอาจารย์เรื่อยๆค่ะว่า แต่ว่าพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้นะคะพระอาจารย์แต่ว่าอาจจะต้องมาถามพระอาจารย์ค่ะว่าแบบเรื่องนี้ทําอะไรผิดไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางทีมันมีความรู้สึกผิดข้างในเรื่องที่ทําเราก็าต้องดูว่าทําไปแล้วเกิดโทษแล้วเกิดคุณนะไปแล้วเกิดคุณกับผู้อื่นแล้วเกิดโทษกับผู้อื่นถ้าเกิดโทษกับผู้อื่นเราก็ไม่ควรจะทําแล้วเกิดโทษกับตัวเราเราก็ไม่ควรจะทํา อืมแต่ถ้าเกิดคนกําลราแต่ไปเกิดโทษกับผู้อื่นก็ไม่ควรจะทํามันมันต้องเกิดทั้งคนทั้งเขาทั้งเราเนี่ยก็ทําไปทำมันใดแล้วเกิดโทษอย่าไปทำํำไม่ว่าจะเกิดเป็นเกิดโทษกับผู้อื่นหรือเกิดโทษกับตัวเราก็ไม่ดีค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นถ้าเราหาโซลูชันแล้วว่าหาทางออกแล้วคะ่ะว่าไม่เกิดโทษกับเราไม่เกิดโทษจาเ ก, กเขาแต่เขาอาจจะ ไม่พอใจอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็คือต้องอะไรก็เกิดโทษเขาแล้วไงเขาไม่พอใจแต่ว่าเขาไม่ได้เดือดอร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแสดงว่าก็ต้องก็เดือดร้อนใจก็เดือดร้อนไม่เดือดร้อนไงนอ่อา จ, จะไปพูดไม่ดีพูดให้เขาฟังแล้วเขาเดือดร้อนใจก็ได้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าถ้ารู้ว่าทำไมเขาเดือดร้อนก็อย่าไปพูดอะไรอย่าไปทำอะไรกับเขาอุเบกขาไป ค่ะพระอาจารย์ไีค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุ<อ>าไปที่อาจารย์พรมพิไลเนมัสการพระอาจารย์ค่ะกลับนมัสการพระอาะจารย์ครับ้<笑><笑> อ, คอคิวออยาวเลยน่าไม่ได้เลยเหรอคะ ก็ารการสบายดีนะฮะก็สบายดีไม่เป็นอะไรไหวได้เดินเดินได้ดีขึ้นมาฮะก็เหมือนเดิม่ะก็ถ้าเดินได้สักสักสองสามนาทีมันก็เมื่อยก็ต้องนั่งเป็นเป็นเรื่องของคนแก่โกคคนแก่ตอนนี้บอกว่าไม่ต้องเดินมากให้ใช้ balancing ให้ทรงตัวให้ดียืดยืดเส้นให้เอ็นเอ็นมันหย่อนแล้วไม่คร่มันก็อยากจะพูดเรื่องโลกของเราพู้สิริหมอหมอทุกชนิดเข้ามาหาเลยคนนั้นก็เป็นหมอคนนี้ก็เป็นหมออาจารย์พูดอมืมอวันอาทิตย์ไงค่ะลุงสายจะหมอไปเต็มแล้วค่ะเจอใครก็แนะนำอย่างนู้อย่างนี้กันนัน โอ้ยร้อยแปดประการอยากแนะนำด้วยเลยค่ะถ้าเราทำตามมันบานี่ยตายแล้วตายพวกไม่รู้จะอ่านไหนดีเราต้องพยายามทรงตัวให้ดีก่อนบาลานซ์เราใช้หลักอันเดียวเราใช้สติพอแล้วใช้สติตัวเดียวพอใช้ธรรมะอสุส่วนใหญ่เราจะเน้นธรรมะอสุธก็อย่าไปทุกข์กับมันอยู่กับมันไปทำได้ ทำอะนได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็นั่งเฉยๆไปเทานั้นหละสบายที่สุดตอนนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นนะคะถ้าไปคุยกับคนอื่นก็ก็ไม่มีวิธีให้ยืดเส้นยืดสายให้ดักนู่นดักนี่ให้ไปกินนู่นกินนี่รักสารพักซะะเคยปวดหัวกลายกลายเป็นโรคกลายเป็นโรคไตเลยกลายเป็นโรคเที่ยงกียดเกยกับเกลยกับคำแนะนำบางคน แต่ดบายอย่าังนพวกหมอจริงๆก็มักจยแนะนํำนะแต่พวกที่แนะนำเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นหมอทั้งนะ้นทังเกตดูหมอก็รู้หมอก็รู้ว่าควรจะแนะนําหรือไม่แนะนำเขาต้องดูคนไข้ว่าพร้อมที่จะรับคําแนะนําของเขาหรือเปล่าแต่ท่านพวกที่ไม่ใช่เป็นหมอนี่อยากจะเป็นหมอกันทั้งนั้นนะอยากจะแนะนําอย่างนู้นอย่างนี้กันไม่ว่ากันแล้วก็เพนเดอรสาธุไปจบ จบจบเร็วเลยใช่ไหมคะสาธุจบจบก็เป็นอย่างเราเราก็เจ็บป่วยก็ยังไปหาหมอเป็นใช่ไหมหาหัวคุณก็หาหมอเป็นแบบเป็นซีรีส์เป็มาค่แต่ละคนความความอดความอดทนต่อความเจ็บนี่มันไม่เท่ากันบางคนนิดนึงก็วิ่งเขาหาหมอแล้วอะไรนิดก็เข้าหาหมอบางคนนี่แทบจะ เจ็บอย่างเต็มที่เขาก็ยังอยู่เขาก็ได้เฉยๆไม่เดือดร้อนอะไรนั่นแต่ละคนมีมีมีภูมิต้านทานความเจ็บมากน้อยไม่เท่ากันเล็กเล็กน้อยๆก็เราก็ไม่ค่อยจะไปสนใจนะคะเดี๋ยวนี้คิดว่าอยู่อ ม, มกันมาถึงงอายุครุณนี้ก็ได้สุขภาพเท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะก็ค่อ ย, อยไปแล้ว ไปใช้โลกใหม่ขึ้นหม่ยุ่งไงใช่ใช่ใกล้ครับไม่ไอยากหามากค่ะมไม่อยากได้โลกอย่าไปรู้มันดีกว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละค่ะก็ได้มาสนทนาพระอาจารย์ก็ได้รับนะครับเรียกว่าปัญญากลับไปได้พิจารณานะคะ รักษาไงก็ตายอยู่ดีใช่โลกคนเรามีสามโลกด้วยกันโลกที่เป็นแล้วหายหายเองไม่ต้องรักษาก็หายเองเช่นโลกวัดเนียเป็นแล้วก็หายเองโลกที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายโลกที่สามถ้าเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็มีแค่สามโลกเรื่องไม่รักษาดีกว่าถ้ารักษาเราก็ไม่หายเรื่องไม่รักษาใช่ไม่รักษาดีกว่รักษา อยู่กับมัน<ช>ไปกังมันจะจบลงไปแยกกันไป<ช><ช>มีแค่นี้นถ้าเข้าใจหลสกสามโลกนี้เราใจจะไม่เครียดกับมันอยู่กับมันไปก่ใจใจพระอาจารย์ก็ไม่เครียดเหรอเราก็พยายามฝึกฝนปฏิบัติตามล่าเร<ช>ื่มไปได้ทุกวั น, นะค่ะโอเ ค, อเคก็ขอให้ทำใจไม่เครียดดีกว่ารักษาใจ<ช><ช>ดีกว่ารักษากาย น้อมนำไปปฏิบัติเลยค่ะจ้าสาธุาคุณมาลีต่อาการหลวงพ่อคะ่ะเป็นยังไงการจับไข้ได้ป่วยทำไมก็ดูใจตัวเองรับได้ไหมก็ทำใจอยอมรับสภาพที่เป็นนะคะหลวงพ่อไม่ทุกกับไม่ทุกข์กับโรคภยัยแค่จดิย ค่ะหลวงพ่อมันถึงเวลาจะเป็นมันก็ต้องเป็นค่ะหลวงพ่อถึงเวลาจะหายกันก็หายค่ะอืมคือก็พยายามค่ะรักษาได้ก็รักษาไปใช่ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปค่ะเออถ้าไม่ต้องรักษ า, าหายเองได้ก็ไม่ต้องรักษาป่ะค่ะหลวงพ่อตั้งแต่พอมาปฏิบัติทางนี้ยค่ะมันก็ทําใจได้ เยอะขึ้นค่ะหลวงพ่อก็คือรับสภาพไปอ่ะค่ะไม่คือถ้าถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเจ็บป่วยเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอุย้ยกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่พอมาแนวเนี้ยแล้วค่ะหลวงพ่อก็คือถึงเราจะดูแลรักษาเขายังไงมันก็ได้แค่ชข่าวสุดท้ายมันมันก็ต้องต้องจบลงใช่ค่ะหลวงพ่อชีวิตมันต้องจบลงค่ะหลวงพ่อ เนี่ยมาเติมตัวเติมตัวดูบทสุดท้ายดีกว่าค่ะหลวงพ่อไม่บทก่อนก่อนมันทมันก็ได้ไมัทําก็ได้อย่างที่สุดมันก็ต้องไปถึงบทสุดท้ายอยู่ดีใช่ไหมค่ะหลวงพ่อมันมันแพ่ค่ะแพ้ชั่คราวนะถ้าเราชนะบทสุดท้ายได้ชนะยกสุดท้ายได้เราก็เป็นแชมป์นะค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราชนะมาเรื่อยๆทุกยกทุกยกแต่พอมาถึงยกสุดท้ายแพ้เขาหนี้สวย จบเลยค่ะหลวงพ่อจบแบบไม่สวยค่ะคือว่าซ้ำยกสุดท้ายก็พอค่เอาชนะยกสุดท้ายได้ก็พอแล้วยกอื่นไปค่ะว่าชนะไปไม่เป็นไรแต่แต่กว่าจะมาถึงสุดท้ายอ่ะถ้าเราไม่ซ้อมไว้เลยอ่ะก็ยิ่งแพ้ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วถูกไหมคะหลวงพ่มันต้องต้องสะสมกันเล้วค่ะ ถ้าไม่สามารถถึงยุคสุดท่านก็มันก็แพ้อยู่ดีไม่มีแรงไม่มีกำลังอะไรเลยค่ะมก็มันจะต่อสู้กับมันยังไงค่ะหนูงพ่อคะหนูปฏิบัติอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วตอนที่มาถึงตอนช่วงสมาธิที่ที่ต่อพอเราได้สมถะเนี้ยค่ะหลวงพ่อพอปฏิบัติแล้ว มันเหมือนกําลังสติอ่ะมันกําลังเพิ่มเพิ่มที่หนูเคยเรียนหลวงพ่อแล้วมันแน่นไปหมดทั้งหัวทั้งตัวเหมือนจะแตกเหมือนจะระเบิดนะคะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้รู้เฉยๆหนูก็นั่งดูอาการของเขาพอเป็นมากๆมากๆ ม, ม, ม, ม, มันเหมือนลมหายใจมันก็จะหายมันจะแน่นมันเหมือนจะตายอย่างเงี้ยค่ะที่ที่หนูเคยเรียนว่าหนู ครั้งแรกๆที่เจอแบบเนี้ยหนูแพ้หนูหนูสู้ไม่ไหวหนูก็หลุดออกจากสมาธิไปแต่พอมาประมาณช่วงสาร์าทิต์ที่ผ่านมาหนูก็ปฏิบัติคือปฏิบัติทุกวันไม่ได้ขาดเลยค่ะหลวงพอ่อแล้วหนูก็มันหนักมากๆขึ้นอาการมันหนักมากขึ้นกําลังสมาธิมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายอ่ะหนูก็นั่งดูไอ้อาการเวทนาเจ็บปวดตรงเนี้ยค่ะหลวงพอ่อจนกระทั่งมัน มันข้ามจุดตรงนี้มาได้ค่ะหลวงพ่อแล้วที่นี้หนูเห็นว่ากายมันก็เป็นก้อนหนึ่งแล้วก็เวทนามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วไอ้จิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็เป็นอีกอีกอีกกลุ่มหนึ่งหนูก็นั่งนั่งดูดูจากที่เราเหน็ดเราเหนื่อยพอข้ามมาตรงนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันเบามันหายมันไม่เจ็บมันไม่ปวดแล้วมันสัมผัสกับความสุขที่ว่า ข้างในจิตในใจหนูวไม่มีอะไรเข้ามาปรงแต่งไม่มีอะไรมาลบกวนแล้วมันก็เห็นแต่มีสุขกกะสุขแล้วจิตมันก็ยิ้มยิ้มยิ้มออกมาหนูก็นั่งอยู่อย่างนั้นนั่งทรงอารมณ์สมาธิอยู่แบบนั้นจนกระทั่งหนูลืมตาอารมณ์สมาธิของหนูก็ยังอยู่คือมันมันสุขที่มากกว่าสุขคือหนูเพิ่ง สัมผัสได้มากกว่าทุกครั้งที่หนูมาถึงตรงนี้ค่ะหลพ่อแล้วพอหนูออกมาเนี่ยอารมณ์ออกมาจากสมาธิก็คือพอออกมาแล้วเนี่ยค่ะอารมณ์ตรงนั้นน่ะมันก็ยังอยู่มันยังสุกอยู่แล้วพอเรามาพิจารณาปัญญามาดูกายมันมันมีความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันดูจากเมื่อก่อนที่เราพิจารณาอย่างหยับอยาตอนนี้พอเรามาดูกายเนี่ยมันพิจารณา ละเอียดขึ้นแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นให้ใจอ่ะมันเห็นถึงเหตุถึงผ ล, ผลด้วยความมีสติแล้วก็มีกําลังสมาธิคอยประคับประคองสนับสนุนตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันเห็นมันเห็ น, ม, น, หนมันเห็นคุณค่าที่ว่าเออหนูคิดว่าถ้ากําลังสมาธิอะมันมันละเอียดขึ้นอะหนูคิดว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของการที่เราจะใช้ปัญญาได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ ให้ให้สอนตัวเองว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้มีอยู่ในตัวเราแล้วสองลงไปมันก็ไม่มีส่วนไหนที่จะไปอยู่เลยสักสักชิ้นเดียวอย่างเนี้ค่ะหลวงพถึงเวลาใจมันจะแก่กายมันจะแก่มันก็ต้องปล่อยให้มันแก่มันจะเจ็บมันก็ต้องปล่อยให้มันคือสอนให้ใจอ่ะมันยอมรับตรงเนี้ค่ะหลวงพอแล้วมันก็ พอใจมันเริ่มยอมรับเนี่ยมันเหมือนในใจอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะมันลังมาติดให้เราไปกังวลเกี่ยวกับไอ้ร่างกายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแต่ตอนช่วงแรกมันก็มีว่าอา้าเรายอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้แล้วทํำยังไงอย่างเช่นผมหรือว่าขนอย่างเงี้ยค่ะหลพ่อหนูเห็นว่ามันเกิดมาจากสีของปฏิกูลในร่างกายของเรามาจากน้ําเลือดน้ําเหลืองแล้วมันก็เป็นอยู่ด้วย มีเลือดมีน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาไม่อาบน้ำไม่สะผมมันก็อยู่ด้วยความสกปรกโดยพื้นฐานเพราะเขามาจากสิ่งสิ่งที่ไม่สะอาดไม่น่าดูไม่สวยไม่งามอย่างนี้ค่ะพอแล้วพอใจมันเห็นแบบนี้มันก็มองมันก็มองอีกว่าอ้าอย่างผมที่เคยดกเคยดำเคยเงาเคยงามตอนนี้มันเริ่มหงอกเริ่มขาวผมเริ่มบางเริ่มเรื่องเริ่มหลด เริ่มโลนเริ่มล้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารับได้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ใจจิตมันก็จะบอกว่าอ้าวเราเราแก่นะเราไม่สวยนะแต่ถ้าเกิดมุิบอกว่าอ้าวเราก็ไปไปปรับไปปรุงไปแต่งไปทำผมไปทำสีหรือว่าไปต่อไปเติมผมไปถักผมทอผมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะบอกมีคำตอบว่า ทำได้แต่ทำได้แค่ชั่วข่าวมันไม่มีวันที่ชนะกดไตรลักษณ์หรือว่าอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมั น, เ ป, นเป็นทุกข์มันไม่สามารถจะทนสภาพเดิมได้ยากเพราะว่ามันไม่ได้ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาเราบังคับมันเป็ น, ปนตามที่ใจเราปรารถนานไม่ได้พอมันเห็นเห็นจิตเห็นเอ่อเห็นความจริงแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะไม่ยึดไม่ทุกข์ ไม่มีอะไรที่มาลังในใจของเราได้มันก็เลยใจมันก็เลยมีความสุขสบายแต่ถ้าเรายังขืนดึงลังเอาไว้อะใจมันก็จะหาสุขไม่ได้มันก็จะทุกข์พอเห็นแบบนี้ข้าหลวงพ่อมันเหมือนมันมันสบายใจแล้วพอหนูออกจากสมาธิมาเลิกพิจณ า, นาหนูมาเห็นสภาพตัวหนูผมผมหนูแก่ผมหนูหอ แล้วพอมาที่ทำ ง, งานหรือว่าคนที่รู้จักทักทายว่าเอ้าผมออกแล้วนะเหมือนประมาณว่าไม่ยอมเหรอเอาค น, ออกกคนนี้ก็ทักคนนี้ก็ทักในใจในจิตหนูมันมันไม่สะดุ้งมันไม่รู้สึกว่าอับอายก็คือมันรับได้ทั้งๆที่แต่ก่อนหนูรับไม่ได้เลยว่าเวลาจะออกไปไหนหนูต้องแต่งตัวต้องสวยต้องงามต้องเนบแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยคือในใจหนูมันมันตัดตรงนี้ ได้ค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยเห็นคุณค่าถึงถึงแม้ว่าหนูจะเดินทางเส้นนี้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่หนูก็มั่นใจว่าหนูได้เดินถูกในเส้นทางนี้แล้วพ อ, อ, อหนูมโอเคปล่อยวางปล่อยวางร่างกายน ะ, ะมันไม่สวยไม่งามหรอกมันเป็นของไม่สวยไม่งามเราพยายามไปเฟินไปปรุงไปแต่งมันเอง ในที้สุดมันก็มันก็แต่งไม่ได้เมื่อถึงมันแก่มากขึ้นไวัมากขึ้นวความไม่สวยควาไม่งามมันก็จะดันออกมามากขึ้นค่เราอย่าไปทุกข์กับมันก็ใช้ได้โอเคตอนนี้ก่อนนะแบ่งเวลาให้หเพื่นนะขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะโอเคอ่าสานการสถานการนี้สบายไม่มีปัญหากับความแก่อะไรใช่ไหะเฉยเฉยเฉยเโอเคอค่ะ ไม่ไม่ต้องทำไม่ต้องไปร้านร้านทําผมก็ถ้าตั้งแต่แม่ตายแต่ก่อนเนี่ยแม่ตัดผมให้แต่ว่าพอแม่ตายเนี่ยก็ลองตัดผมเองแล้วก็มันยาวถ้าตัดนี้ได้ก็เลยทำไปตัดที่ร้านให้ร้านเขาตัดให้สั้นแต่ไม่ได้เสวสวยไม่ค่ะแค่ไปแบบให้ตัดเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะนี่ ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ค่ะค่ะอ่าคุณหมอตากับคุณหมอเน่ยมาสกันมาอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงยังยังเหมือนยังคงที่เหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์ไม่ถอยหลังนะแต่ไม่กล้หน้านะก็ยังรักษาเวลาเท่าเดิมท่านนะท่านบอกว่าความถอยหลังคือการปฏิบัติที่น้อยลงก็ เรานลาชาวพนแต่พยายามเรื่องสติในระหว่างวันเนี่ยคือพยายามมียึดหลักแบบไม่สวดมนบดสั้นๆก็คือพุโทโธพุโทโธอะไรยอย่างเงี้ยค่ะอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับเรื่องความคิดต่างๆเพือ่อให้เพื่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้คือแบบแต่หนูอาจจะต้องมีแบบ ยังยังสังเกตตัวเองนะคะ่ะพอพอพยายามจะรู้สึกว่าก็อยากจะแบบว่าเหมือนตามการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ว่าตวนนี้บางทีมันจะชอบลอยแบบคิดอะค่ะเหมือนใช้พุทโธช่วยในก่รงดึงสเต็ปหนึ่งค่อะอาจารย์ใช้สองเส้นใช้พุทโธใช้ร่างกายผูกใจไว้ค่ <ขอ S 2> ะค่ะอาจารย์น่าจะต้องต้องใช้สองเส้นก่อ น, นะคะ่ะอื เนี่ยดูร่างกายให้สาคัญกว่าเพราะเราทําอะไรเราต้องมีสติใช่ไมมิงานเดียเราทําผิดฉีดยาให้คนไข้ผิดอะไรเขียนใบสั่งยาผิดนี้เดี๋ยวยุ่งเลยคือรู้สกว่ายังไงอยังยังต้องมีร่างกายไว้เพราะว่าอย่างอย่างที่พระอาจารย์ว่าเลยค่ะคือมันจะมีประโยชน์ทั้งการเดินการอะไรต่างๆการรีแอคกับคนจะได้สติเวลาเรา จะทําอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในจุดไหนอะไรอย่างเงี้ <มา S 2> ยค่ะกำลังจะทําอะไ ร, ร, รกำลังจะพูดอะไรพุโทโธอย่างพุทพธเหมือนเอาไว้ดึงคื อ, อ, อช่วงที่ไม่มีอะไรเดินเดินอยู่สมมติบางทีเราดูกายไปบางทีมันก็เผลอขิดเดินไม่รู้ตัวก็เหมือนใช้พุโทโธไว้เป็นจุดขั้นนะคะพระอาจารย์ได้แต่กต<ะ>้องดูเดินไปชนวันนั้นชนวันนี้ครับค<ะ>่ ะ, ะแล้วก็พยายาม ทวันค่ะครับู้ึกไปเรื่อยแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจะสงบได้เลยคร่ครับครับโอเคนะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเอาไปที่เมืองนอกวงังคุณยินดีอยู่นิวยอร์กสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ลุงมีคำถามค่ะพอน เดวิดเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์แต่ก็ไม่ไม่ทราบว่าเขาเกิดอะไรวันนี้ตอนก่ mm. อนไปเขาบอกไว้แล้วว่าวันนี้ท่านอาจารย์มานะฝากกราบท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็บอนซอนเต้ให้อาจารย์ด้วยพอสักคู่เขาส่งไลน์มาอีกก็บอกว่าเออเออบอกอาจารย์อีกครั้งนะว่าขอบคุณขอพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งนะเออช่วยบอกด้วยลูกก็ไม่รู้เขาเขาเขาาได้อะไรหรือเปล่าลูกก็ไม่ทราบกันเดี๋ยววันนี้จะลองถามดูค่ะ <Okay. S 2> เอาเข้ามาก็บอกว่าอย่าลืมบออาจารย์ น, นะอีกครั้งหนึ่งนะว่าขอบพระคุณท่านพ้าอาจารย์เป็นอย่างมากเลยแล้วก็บอนส่องเต้ให้อาจารย์ด้วยนะโอเคขอบคุณอาจารยก็เหมือนเดิมคะ่ะเขาก็ไม่ได้เขาก็นั่งของเขาทุกวันก่ะท่านอาจารย์อค่ะเหมือนเดิมไม่ขาดคะ่ะ<ด>ลูกกระดิบ เ, เราก็เหมือนกันเราก็ไม่ขาดไม่ขาดคะ่ะท่านอาจารย์เพราะว่าบางทีมันก็มีนะคะเวลาอาการที่เราป่วยแล้วเราไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเกิดขึ้นแล้ว มันมันก็มันก็จะทำให้เราไม่ไม่อยากทำแต่คำพูดท่านอาจารย์นะะจะพูดขึ้นมาบอกว่าไม่ก้าวหน้าก็อย่าถอยหลังแล้วบางครั้งบางคราวก็ยอมรับค่ะก็จะเป็นการคอม p e n e ของวันถ้าเรามอค่ะชดเชยวันหยุดดเชยวันทำงานชดเชยท่านอาจารย์ก็ไม่ก้าวหน้าก็ไม่ถอยหลังก็คือรักษาความเพียรไว้นะคะท่านอาจารย์นี่ค่ะา ก็ทางเดวิดเขาก็ไปของเขาลูกก็สบายใจค่ะอาจารย์ค่ะคท่านอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะท่านอาจารย์วอโทคุณแนนเป็นยังไงคุณแนน น, แนะนักการรามสก้านะคะอาจารสบายดีเจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะเป็นไปดีคุณมาริกามาริกานาลาเทวม <c oughs> จากนมัสการเจ้าค่ะผ้าจานเข้ามาตัดผ้าจานแล้วก็เริ่มฟั ง, งาานนมมคำถามเจ้ า, า okay. ค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโคุณหมอช่วท่านหนลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่มีไม่มีทุกนะ <c oughs> ไม่ค่อยดูกกับอะไรเจ้าค่ะเออยังทุกบ้างอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ลูกบอกไม่ถูกเจ้าค่ะแต่ว่าอ่าถูกกับอะไรมากๆนี่ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีนะไม่มีเจ้าคลิปจอยเล็กๆน้อยๆค่ะยินดีเลน่อยๆอาจจะแบบแคบทำอะไรไม่ถูกใจคนบางคนทําอะไรไม่ถูกใจเราอย่างนี้ป่ะไม่ค่อยเป็นเจ้าค่ะไม่ค่อยเป็นนะยังนั่สมาธิทุกวันเจ้าค่ะท่านอาจารย์เป็นกิจวัตรประจํำวันของลูกเลยเจ้าค่ะ ขอหยินบ้านในประพุทธระธรรมพระสงค์นะขอบคุณท่านอาจารย์อขอบรขออพรคุณค่ะคุณอภิสิทสกลนครหายไปหลายอาทิตย์นะหายไปหลายอาทิตย์อยู่วกับอาจารย์ก็ไม่มีครับเข้ามาฟังธรรมเข้ามาทบนักการประจาน์ครับ ในแพทย์ที่คุณมอลุ่งเร็วตาหมอแบบนับว่าสักการ์ครับพระอาจารย์เป็นยังไงก็ปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมกับพระอาจารย์อืมแต่ว่ามันได้แค่ตรงตอนนี้มันได้ตรงสบายครับพระอาจารย์สบายเมาใจอืมได้ถึงตรงนั้นแล้ว น, นะครับพระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เดินหน้าไปครับอืมยัง ยังไม่รวมเยังไม่รวมนะยังไม่รวมกับอาจารย์แต่ว่าได้เบาสบายเบาสบายแล้วก็เบาสบายพอออกจากสมาธิก็เบาสบายได้อีกนาหรือว่าตอนที่เราเราเจริญสตินะครับอาจารย์เราหายใจเข้าให้จออกเวลาอยู่ปกติอาจจะจะหลับตาได้นิดหนึ่งเวลาว่างครับอาจารย์ก็ได้ได้เบาสบายครับอาจารย์ในตรงจุดเบาสบายแต่ยังไม่ถึงจุดรวมกับผมเข้าใจว่ายังไม่ถึงรวมเป็นดึกนะครับอืมดังนั้นยากหน่อย ครับอาจารย์อันนั้นต้องอยู่ตามลาพังต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอาจจะอาจจะต้องแบบไปอยู่วัดหรือว่ารักษาสินแปดเลยนะครับอาจารย์สมมติมีวันที่เราว่างเราไม่ไม่คุยอะไรรักษาสินแปดครับอาจารย์ครับสมมุติว่าเราเรารักษาสินแปดแต่เราอยู่ที่บ้านได้ไหมครับแต่เราได้แต่เราที่บ้านมันบรรยากาศอาจะมีมีอะไรอย่างต่างๆมารบกวนใจเราก็ได้ โอ้ครับแต่ถ้าไปไปอยู่วัดได้ก็จะดีนะครับพระอาจารย์ก็เราอยู่วัดที่มีความสงบไม่มีการกระทําอะไรตา่างๆครับครับพอดีถ้าไปอย่างไปที่วัดยานก็จะไม่มีไม่มีที่ไม่มีที่อนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องแบบเดี๋ยวผมจะต้องดูว่าอาจจะไปอยู่ใกล้ๆวัดอนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์อะไรก็ไปไปที่วัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่วัดเขาก็มีที่พักไหมผู้ชายก็มีมีนะครับพระอาจารย์ครับครับ ที่อยส่วนที่วัดก็มีส่วนที่บนเขาที่อยู่กับพระก็มีครับครับแต่ทุกวันนี้เวลาผมไปวัดเออ่ผมจะมาพักที่โรงแรมตรงวอร์ร่ไรตานะครับที่ไซบาตนะครับอแล้วก็อาจจะอาจจะต้องปรับเป็นว่ากลางวันเนี่ยต้องไปนั่งที่วัดไปนั่งสบายที่อยู่ที่วัดเลยครับแต่ไปอยู่ไปนอนที่วัดเลยครับอาจจะอือาจจะต้องต้องทําขึ้นมาถึงขั้นนั้นถึงจะถึงจะสงบได้ครับนันก็จะมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นครับ ก็ก็พยายามครับพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็ดีนะครับถ้าพระอาจารย์ถามว่าทุกไหมบอกมันก็มันเบาบางไปเยอะครับอืมมันไม่ค่อยมีเรื่องหนักใจเรื่องความอยากเลยแต่พอเวลาลาพิสละเสริญไม่ค่ยกังวลได้<อ>มผมไม่สนใจแล้วครับพระอาจารย์เพราะว่าแต่ก่อนก็ค่อนข้างติดนะครับพอตอนหลังก็จะนึกถึงนึกถึงคําสอนพระอาจารย์ตลอดว่าเรื่องเหล่าเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้มีทุกข์นะครับก็พยายามแบบ ออกการใช้ชีวิตเป็นเออยู่ง่ายกินง่ายประหยัดเสื้อผ้าก็รัดน้อยซ้ำเดินรัดครับเสื้อก็ใส่เสื้อเหลือแบบนี้ครง่ายๆครับอาจารย์อืเราไปรับราชการใส่เสื้ออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราใส่ไปสูทคุมแค่นั้นเองครับอืมก็ค่อนข้างค่อนข้างสบายครับพระอาจารย์แล้วก็ทานอาหารก็พยายามทานง่ายๆนะครับทานนี้ถ้าผุ๋มจนใหญ่ผมกทานข้าวจานเดียวนะครับแล้วก็ เข้าใจว่าถ้าคือประดีรับแล้อปัจจุบันเนี่ยจะรักษาสินแปดเนี่ยอยู่ ท, ที่อยู่ที่การปฏริบัติงานเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งครับพระอาจารย์อาจจะยากเนี่ยอาจจะไม่ครบ น, นะครับจะได้สินหกสินเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีก็ดีกวไม่ได้ไม่รักครับครับผมก็ว่าตั้งใจกับมันว่าเดี๋ยววันพระเนี่ยสมมติมารับราชการเนี่ยก็จะพยายามรักษาสินให้ใกล้สินแปดที่สุดอะนะครับอืมอย่างข้อสามเนี่ยทําได้อยู่แล้วข้อแต่งตัวก็ทําได้ อคอนนอนนี่ปกติผมว่านอนนอนฟุบบางๆอยู่แล้วครับอาจารย์นอนเตียงนอนง่ายๆครับก็น่าจะได้หลายข้ออนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เวลาปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบที่พระอาจารย์บอกตรงนี้แต่ก็ได้พยายามทําให้มากที่สุดนะครับก็ได้การฝึกสติอย่างเดียวไปใช่ครับฝึกสติเนี่ยทําได้เกือบทั้งวันอยู่แล้วครับอืครับแต่ว่าผมสังเกตว่าอย่างขอมีเรื่องเข้ามาบางทีก็มีเรื่องมาท้าทายเราอนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยเอตัวันเนี้ยครับ มันจะรู้ได้เร็วแล้วก็ยังมีอารมณ์ไหมยังมีอารมณ์นะครมมับแต่ว่าผมก็จะมานั่งหลับตาหายใจหรือว่าหรือว่าย ใ, ใจเข้าให้ยจออกแต่ส่วนใหญ่ผมจะต้องใช้สวดมนต์อิติปิโสนะครับแล้วก็สวดไปเรื่อยๆแต่หลับตานะครับพระอาจารย์แต่ว่าหลับตาแล้วก็่องไปเรื่อยๆอมผมคิดว่าประมาณสักสิบรอบเนี่ยสิบจบสิบจบสิบอ็ดจบ ก, ก็สงบแล้วครับอืมก็เบาแล้วพอสิบองศ์จบ ก, ก็หายใจลึกๆออกยาวๆได้แล้วครับอาจารย์อืี่ยครับ แล้วก็ไม่ไม่ไปทุกข์กับมันนะครับ uh huh. มันเหมือนตอนตอนที่ก่อนทําก่อนจะสวดอิติปิโ ส, โสตอนที่มีเรื่องเข้ามาเนี่ยใจมันใจมันร้อนรุ่มนะครับอาจารย์อ uh ืม huh. มันเหมือนกับใจมันก็หวั่นไหวนะครับ uh huh. ครับแต่พอถ้าถ้าเรามีสติแบบที่เราฝึกสติมาประจําเดี่ยวเราจะรู้ละอันนี้อัน น, น, นี้อันนี้ไม่ได้แล้วนะนะแล้วก็หารีบรีบรีบนั่งรีบสวดมนต์รี บ, ร บ, ร บ, ร บ, รบ ส, บส่มืองเข้าไป uh huh. แล้วก็พอสวดไปถึงสักสิบจบสิบเอดจบผมเต็มที่ไม่เกินสิบเก้าจบค ร, รับอาจารย์ ถึงก้าวจบก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับก็เบาสบายแล้วครับออดีประมาณประมาณอย่างนี้นะครับอาจารย์แต่พียงแต่ว่าครับแต่ที่ผมเรียนอาจารย์ว่าผมทราบว่ามันได้แต่เบาสบายเลยเบาเบาวิววแต่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่มันเบาเบาสบายสบายเหมือนเรามีความสุขอครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ยังไม่ถึงจุดรวมอ๋อยังไม่รวมนะยังไม่รวมครับอาจารย์อืมต้องพยายามต่อนะครับอาจารย์อทําไปเรื่อยๆครับอาจารย์ ครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับขอบพอระอาจารย์ท่าแข็งแกร่งนะครับาาแล้วผมจะมารายงานใหม่นะครับโอเคอาร์เรลขอบคุณแม่สมมรสการกครับเข้าสมมาสการข้าหลวงพ่อเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ฝรั่งเศสจ้าวันนี้ฝรั่งเศสเนีอ่อยู่ตรงไหนเมืองอะไร ยี่ปิตนีเจ้าค่ะอยู่ทั้งเหนือครับอยู่ทั้งเหนือไปทางนี้จะใกล้นอมอดีครับตะวันตกเวไซด์อยู่ก้ข้ามไปใกล้อังกฤษมากกว่าอับริตโอเคแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคอสเไม่ถึงทะเลอยู่ใกล้ใกล้ชาทะเลนอน์มอนดีมันอยู่ติดทะเลใช่ใกล้ใกล้นอมอดีสองสาโลกครั้งที่สองดีเดที่นอมอดีใช่ ยังมีอนุสรสถานอยู่ทางนั้นอยู่นะนะครับมีอนุสรสถานครับเดี๋ยวสองครั้งโลกครั้งที่สองจากนี้ก็ไม่ไกจากบ้านเราก็ไม่ไกลมาประมาณหนึ่ชั่วโมงขับรถไปประมาณนั้นที่ชัยฮัดมีสุสานมีสุสานหลวงนาได้เสียชีวิตครับวันนี้ก็เข้ามาฟังทำครับผมมีอะไรอยากจะทำไหม ไม่ไม่อยู่ไหนอุ่นใจถวายหลวงตาบองตาสิครับมันก็ทําบุญร่วมกันหลวงตาครับโอเคสาธุหลวงตาครับาเพราะหลวงข้อเจ้าค่ะฟังพี่พี่พ okay, ูดเรื่องเสือสวยลูกลูกก็ยังเข้าอยู่แต่ว่ามันเหมือนแบบว่า ใจมันไม่เอาอจะเข้าใจมันเหมือนปล่อยแต่ว่าบางทีไปเวลาที่มีงานหรือหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเนละครไปก็เหมือนเ่นละครไะมันมันมันรู้ว่าใจไม่เอาเพราะมีวันหนึ่งที่สามีสั่งว่าวันที่จะต้องออกงานแล้วก็ไปร้านแต่ผมแบบไม่อยากทําสีแล้วก็ไปมไมอไบอกเขาว่าไม่ทํำสีฉันได้ไหมเอาแค่แบบสเปชชีดได้ไหมเจา้าค่ะมันแบบใจมันรู้เลยว่าอืมใจเราไม่เอาจากที่มาก่อนเรื่อง ต้องไปทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทีละสองวันอย่างเงี้ยจ้ะค่ะมันมันเห็นมันต้องค่ะส้องคหลวงพ่อแล้วก็ก็คือนอกจากโอเคออกงานจริงๆที่อก็ก็ก็ยังไปอยู่แต่รู้ว่ามันใจไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่ยึดติดกับความสวยความงามของร่างกายค่ะหลวงพ่อตอนนี้ไม่ไม่ไม่ยึดติดปล่อยได้จากที่แบบสมัยก่อนแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบ เรายังอยู่ในสังคมอยู่ถ้าไปบวชก็โกนหัวไปเลยโชติหลงหล่อถ้ยังอยู่ในสังคมมันก็ยังต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาเข้าสังคมนี่เราจะกลายเป็นคนแปลกแยกไปคนเดียวเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าค่ะแต่รู้ว่าใจมันมันมันวางตัวนี้ได้จากที่แบบจากที่เราเป็นคนที่แบบรักแสวยรักงามมากไปไหนแบบต้องมีช่างทำผมแต่งหน้าที่ไปด้วยต่างประเทศต้องมีมีไปด้วยเลยแบบ เขายัง บ, บอกว่าเออเป็นได้แบบจกจะตายปว่วยนอนอยู่โรงพยาบาลช่างยังต้องมาทำทุ่มทำเล็บให้ mm. บอกจะตายก็ต้องตายสวยๆอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ mm. รู้ว่าโอ้ตอนนี้เราประวังได้จริงๆนอกจากภาพของธรรมะของพระเจ้าเจ้าค่ะหลวงพ่อร่อ า, างกายมันของไม่เที่ยงมันเห็ น, นเห็นจริงๆแล้วกลหลวงพ่อแล้วก็ไม่ว่าเราจะทานอะไรที่มันดีที่สุดมันก็ไม่มันไม่มัน มันมันจะอธิบายยังไงคะมันเห็นเลยจังหวะมไม่ดูเดมมันไม่ไม่สกมันไม่เหมือนกับข้าหลวงพ่อมันแค่กินเข้าไปเท่นั้กินให้อิ่มกินตามความหิวแล้วก็สังขารมันไม่ใช่ว่าเราจะกินของดีแล้วหรอกอย่างรูกแบบกินเหมือนแบบเมนูวเนี่ยที่ดีที่สุดทั้งแต่มันไม่ใช่ที่จะร่างกายแบบมันมันเป็นปฏิกูลพอเขาร่างกายละเมอการเป็นของโสดกโปกไปแล้ว ใช่จ้ะค่ะแล้วเคยฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสิ่งที่เท่าไะยศตัวเราที่สุดก็คือร่างกายเนี่ยลูกพิจารณาแล้วลูกเห็นจริงเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อเห็นปฏิโกณเนีนสุภาไม่สวยไม่งามเห็นด้วยสขปกใช่เจ้า็นเหมืนอนถังขยะร่างกายเราเนี่เป็นเหมืนอนถังขยะอะไรก็เข้าไปในร่างกายไม่เป็นของโสขปกไปหมดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่เรื่องจริงเลยนะคะพิจารณาได้เห็นบางทีแบบ บางทีพิจารนาจะทานแล้วแบบเคยพิจารณาที่หนักๆแล้วแบบน้ําตามันแบบมองแล้วทานไม่ได้แล้วน้ําตามันก็ไหลออกมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันเหมือนซาบซึ้งอธิบายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้แต่ใจมันแบบนั่งสะอื่นแบบจังค่ะ<ๆ>เออเดอเราถึงทำชนะรถทั้งปวงโอเคทําต่อไปนะาาแต่อย่าเวิร์สนะมันต้องมีม มีมีมัธิมาอยู่ทางซ้ายกลางเจ้าค่ลเงพ่อเมากๆกินไม่ลงน ะ, ะกินไม่ได้เลยน้ำหนักลดไปเยอะก็เวลาที่ลูกไม่ได้เข้ามาแต่เวลาที่หลวงพ่อบอกคนอื่นลูกก็เอาไปทําหมดอ่ะก็ดทานชากาแฟอะไรลูกก็ก็ ก, ก็งดแล้วก็ก็ทําไปแล้วก็ถ้าสามีไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ทําอะไร ลองปรุงลองอะไรที่เอามาปนแล้วก็ทานดูก็ต้องดูเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปหน้าที่ของเรายังต้องเลี้ยงดูร่างกายอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อก็จะเป็นช่วงนี้ก็จำสินเจ็ดนะคะสมพ่อเพราะเรื่องอาหารบางทีต้องบางทีต้องดินเนอะนะอืมเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่ามันเหมือนแบบอะไรเราก็ปีกวิเวงเขาก็ขอแบบต้องร่วมตัว่าดีต้อแบ่งกันแบ่งเล่าแบ่งสู้ อยู่ด้วยกัน<อ>มันก็ต้องมีการอืะไรคัมเปร้ลหรืแลกเปลี่ยนกันเจ้าค่ะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ลอกยอมเราเยอะ <Okay. S 2> <c oughs> ยอมเราเยอะเราจะยอมแบบว่าเราจะขอบวชาที่ว่าขออยู่ตรงหน้าหน้าวัดก็แล้วกันนะจนจะได้ไปจูด้วยอืมก็ดีเจ้าค่ะหลวงพอ่อ <c oughs> จะได้ไปเจอหลวงพ่อลนเหล่านี้เจ้าค่ะอลวงพ่อเป็นพัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะอยสาธุ คุณญาติญาตอบูเดอค่ว่าเขาจะาดูเป็นไวันนี้ใช้มือถือก็เลยไม่ค่อยถนัดมือหนึ่งต้องถือมือถือเ้ะอาจารย์ขอการนมัสการอาจารย์แล้วก็ค่ะมีอะไรไหมวันนี้ก็มารายงานการปฏิบัติเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเวลาเวลาเจริญสติแบบที่ลืมตาเจ้าค่ะ คือพยายาม mm hmm. จดจ่อแล้วก็พยายามออยู่หลู่กายอะเจ้าค่ะแต่พอตาลืมมันยากเหมือนกันอะเจ้าค่ะรู้สึกมันยากกว่าการหลับตาเยอะเลยเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เวลาเราทําอะไรที่เราลืมตาความคิดมันแทรกตลอดเลยค่ะคือมันจะมีความคิดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจคือถ้าสมมติเราทําอาหารเราก็ต้องคิดว่าอ่ะหลังจากนี้เราจะใส่อะไร เออเราก็ต้องเตรียมอะไรต่อมันก็มันก็ไม่ได้ว่างได้อะค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าสมมุติว่าในขณะที่เราทำมันมันเป็นอแอคชั่นที่มันต่อเนื่องอย่างเช่นเราเราเราผัดอาหารอยู่ในกระทะมันก็อาจจะกำหนดได้แต่มันก็จะมีมีสิ่งให้คิดเข้ามาค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องๆเปิดเทอมแล้วจะ หัดหัดเดินจงกรมอยากที่พร ะ, ะ, ะอาจารย์แนะนำาะอการอืมค่ะก็ในขณะที่เราทำงานก็มีสติไปมันอาจจะคิดบ้างก็ดีกว่าไม่ไม่มีสติเลยปาก็รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นแล้วก็ไม่เล่นมือถือคือเล่นน้อยลงเยอะมากประมาณ8ปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นคือ อาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่พยายามลองรู้สึกทําได้ดีกว่าแต่พอหยุดไปอาทิตย์นึ่งรู้สึกกิเลสมันมันมันเข้ามาค่ะพระอาจารย์ก็จะมาบอกว่าไม่เป็นไรนะวันนี้ปฏิบัติเยอะแล้วเราเป็นขลาวาดเราก็ต้องรู้ข่าวสารบ้างอะไรอย่างเงี้ยเทค่ะแต่ก็พยายามไม่หย่อนมากเพราะว่ารู้ว่าการที่ไม่เล่นมือถือหรือว่าไม่รับอรูอะไรที่มันอ เกินความจำเป็นมันดีมากเลยค่ะพอาจารย์มันทำให้ใจเราสงบเพราะว่าบางอย่างเรารู้ไปเราก็ทำอะไรไม่ได้หนึ่งสองก็คือเป็นคนเซนซิทีฟด้วยพอรู้แล้วเอาออกยากค่ะพอาจารย์มันจะคิดอนะมันจะกลับไปคิดเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามแบบกำจัดและจํากัดข้อมูลที่เราจะรับแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนในชีวิตปกติเราถึงแม้เราจะเป็นครอบครัวเล็กๆ เ, เราก็มีเรื่องให้ดูแลให้คิดเยอะอยู่แล้วเรายังจะไป อ, ะอยากรู้เรื่องคนอื่นที่มันเกินความจําเป็นนี่มันเหมือนเหมือนเหมือ น, น, นบ้านบ้านที่เรียบร้อยแต่อยากไปเอาของเขามาเยอะๆเพื่ออะไรอะไรอย่างเนี้ยหรอกค่ะพยายามพยายามตรงนั้นแล้วก็ทุกคืน ก็จะสวดมนต์ค่ะอาจารย์สวดจนง่วงแล้วก็หลับไปก็ขึ้นมาปิดปิดเสียงสวดมนต์แล้วก็หลับไปก็จะพยายามพยายามมีสติให้มากขึ้นแล้วก็จะลองดูกําหนดทีทีดูค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่าจะช่วยไหมเพราะว่าคิดว่าเวลาพอจิตมันลอยไปไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ กำหนดเอาแล้วรู้สึกว่าอืมก็กลับมาได้มาได้แป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวก็กลับไปคิดอีกอะค่ะพระอาจารย์มันเป็นเรื่องมเาาพราะมันไปคิดแล้ว ก, กำหนดจบเม า, า่หม่มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเจ้าค่ะที่สาหรับคนยังไม่ชํานาญนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สติเรายังมีน้อยอยู่พอดึงมันกลับมาปป๊บเดี๋ยวมันก็มันก็ดึงไปแล้วก็ต้องดึงมันกลับมาอีกเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็จะพยายามกับ แบบว่าลองลองกําหนดทีทีดูแล้วก็เรื่องเรื่องการเสพข่าวนี่ก็จะไมแบบ่ไม่ไม่ไม่ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ไม่ไปดูแล้วก็แล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะมีคลิปหนึ่งชอบมากเลยเป็นคนชอบฟังคลิปเดิมๆฟังจนกว่าจะจําคิดว่าจะจําได้ทุกอย่างเรื่องเหตุที่ทําให้คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันที่พระอาจารย์พูดถึงบารมีสิบป่ะเจ้าคะ่ะ ชอบชอบมากเลยโยมฟังเกินน่าจะเกินสามสิบรอบแล้วเจ้าค่ะก็จะฟังไปเรื่อยๆเพอะรู้สึกว่าเวลาที่เราได้รู้อะไรที่มันรู้สึกว่ามันสําคัญแล้วก็ถ้าเราจําได้หมดอะ่ะมันได้ใช้ไปตลอดชีวิตเลยอะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วฟังเราก็รู้สึกรู้สึกดีที่ได้รู้สึกโชคดีที่ได้รู้ว่าแบบเราเกิดมาเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมี แล้วก็ในสิ่งที่พระอาจารย์อธิบายมันเข้าใจได้หมดเลยคือถ้าไปอ่านหนังสือแล้วจาเอาอะ่ะไม่มันจาไม่ติดเข้าไปในในใจแต่อันนี้ฟังแล้วจำได้และเข้าใจว่าบารมีที่พระอาจารย์สอนนะให้ให้เจริญก็คือมีสิบอย่างมันเกื้อกันหมดเลยคือมีเมตตาก่อนแล้วก็ทำมีทานศีล เนคขมะอุเบขาปัญญาแล้วก็ต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีขันติแล้วก็มีมมอืมวิริยะใช่ตัวค่ะเขาเอื้อกันหมดเลยแล้วก็คิดว่าแบบเออถ้าเรามีแผนที่อันนี้แล้วอ่ะโชคดีจังเราเราควรจะปฏิบัตินะแล้วก็พยายามนะคะพระอาจารย์คือทานเนี่ยทำตลอดอยู่แล้วถึงจะอยู่ไกลบ้านแต่ว่า ที่เมืองไทยก็มีสัพานบุญหลายหลายหลายลูกมีครูบาอาจารย์หลายคนแล้วก็มีญาติพี่น้องที่ก็เป็นสายธรรมะแล้วก็เรื่องสักรักษาศีลคิดว่าทำได้โอเคอาจจะมีด่างพลอยบ้างแต่ก็คขชีวิตมันเรียบง่ายมากจนไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไม่ไม่ม่มีโอกาสคือมันเรียบง่ายเพราะว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยน้อยมากเลยอะค่ะอาจารย์ สีนก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแบบไ ม, ไม่ไม่ทำไม่ทาผิดไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บอกความเจ้าค่ะแล้วก็ภาวนาก็ก็ฟอฟังพระจารย์เทศเราก็เข้าใจเข้าใจหลักเหลือแท้ปฏิบัตินี่แหละว่าเราต้องเราต้องแบบมุ่งมั่นแล้วกเ็เพยายามให้ให้ก้าวหน้าก็คือสมถะแล้วก็วิปัสสนาส่วน เ, เรื่อง อื่นๆคันติสัจจ์อธิษฐานก็ทําได้พยายามให้ได้มากที่สุดบางทีใจเราอยากจะทําแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความที่เรามีลูกเราก็ต้องพยายามถายบางอย่างมันก็ ม, น ม, น ม, นมันมันมันมันต้องไปทางโลกก่อนนะคะพระอาจารย์ต้องไปทา ง, ทางโลกก่อนทหน้าที่ของเราอยู่ต้องทำหน้าที่ของเราให้สมอใช่ใช่ค่ะแล้วก่อนน่ะที่จะมีลูกอ่ะ ไม่เคยคิดเลยนะคะพระอาจารย์ว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการมีลูกคือการมีห่วง<ม>การมีครอบครวัวคือการมีห่วงมันเป็นยังไงเราคิดแต่แง่ดีเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ของการมีลูกมาก่อนพอมีแล้วถึงซึง้งเข้าไปถึงใจเลยนะะพระอาจารย์<ม>ว่ามันแบบ มันเป็นห่วงที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็อย่างพ่อของของโกะอะค่ะยมยมชื่อเล่นชื่อโกะนะเจ้าค่ะปอคุณพ่อก็ยังห่วงเราทั้งทงี่เราสี่สิบกว่าแล้วสี<ม>่สิบหกแล้วเราก็พยายามทำให้ท่านไม่ห่วงแต่ท่านก็มีเรื่องให้ห่วงอยู่ดีมันก็คงเป็นธรรมชาติของพ่อแม่ที่คงห่วงกันไปตลอดชีวิตอะค่ะพระจารยก็เราก็ต้อง วางอุเบกขาเหมือนกับว่าที่พระอาจารย์สอนที่พระอาจารย์สอนว่าเออเราเราสอนเขาเขาจะน้อมฟังหรือไม่เราก็ต้องทําใจแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคนะ่ะพระอาจารย์เราอย่าไปทุกข์กับเขาแล้วกันตลอดเลยค่ะพระอาจารย์เป็นคนเป็นคนที่กังนวลด้วยแล้วเป็นคนเซนซิทีฟคือรู้ว่า ถ้าเข้ามาแนวเนี้ยเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างนี้แน่เลยเราก็พยายามจะไปแก้แต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกสอนก็คือว่าเราไปแก้ไขไม่ได้เราไปเราไปมันนอกเหนือความควบคุมของเราเราสร้างเหตุได้แต่ผลมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราค่ะพระอาจารย์ <forgiving. S 2> ก็ก็พยายามน้อมนําทุกอย่างที่พระอาจารย์สอน เพราะว่าอยู่ไกลบ้านด้วยตอนมาแรกๆนี่คือทรมานมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกแบบคือมันปรับตัวเยอะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือความสุขตอนที่อยู่เมืองไทยที่ที่นี่ไม่มีก็คือไม่มีวัดว่าอาลาไม่มีครูบ า, าอาจารย์เราอาจจะคุ้นกับการที่แบบได้ไปวัดได้แบบได้ไปใกล้ชิดได้ไปฟังธรรมที่วัดได้ไปใส่บาตร แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้แล้วก็มีช่องทางนี้แล้วก็ได้ฟังธรรมก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทําให้คนที่อยู่ไกลบ้านได้แบบได้ใกล้ชิดพรัตนาไตรได้แบบอยากได้ยังมีกําลังใจในการปฏิบัติต่อไปอะค่ะพาตานเนี่าดีมากอือสมัยนี้เราโชคดีมีสื่อที่ท่านสมัยสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่งทุกคน ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็เมื่อก่อนนี้กลับเมืองไทยก็ขอสามีเขาก็น่ารักเขาก็ให้กลับแบบทุกๆุกเครื่องปีเราก็กลับแต่กลับแบบเดียวคือกลับสิบวันโกก็กลับอะค่ะอ า, าจารย์เพราอยากกลับมากคือ mm hmm. ไม่มีปัญหากับการนั่งเครื่องแต่ตอนนี้ด้วยภาระหน้าที่ต่างๆเราต้องเอาลูกเอาครอบครัวให้ ให้เราต้องทำหน้าที่เราให้ดีก่อนแล้วก็ใช้ช่องทางที่มีอยู่ทุกอย่างทั้ง YouTube ในการฟังธรรมอ่านธรรมะนี่ไงค่ะพระาจา้าแล้วก็ก็พยายามให้อยู่ในเส้นทางที่ที่ที่พระพุทธพระธรรมพระสง์ครูบาอาจารย์สอนไว้ค่ะพระอาจารย์จะได้ก้าวหน้านะคะพออายุก็ มันถ้าตามอายุเฉลี่ยของคนก็เกินครึ่งชีวิตแล้วนะเจ้าค่ะใช่ไหมนะคะก็จะพยายามต่อไปพยายามต่อไปเจ้าค่ะอาจารย์อความพยายามอยี่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั้นนะค่ะอาจารย์แต่บนค่ะพระอาจารย์ขอพระคุณค่ะอาจารย์อค่ะขอพระคุณค่ะเอไปที่เอ่อไคุณนส น้องกลับน ม, card, มัสการค่ะพระอาจารย์ยังไงก็ก็ลูกก็ยุ่งยุ่งค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ย้ายบ้านได้ยังอืยากจะตอนนี้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะที่บ้านก็โค o s i n g เรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์อืก็เดี๋ยวก็ต้องไปหา airbnb อยู่สักเดือนหนึ่งค่ะอาจารย์นะคะก็เดือนหน้าก็กลับเมืองไทยค่ะอาจารย์ขับมือใช้มาหาบ้านอยู่ที่เมืองไทยเลย ค่ะก็คงไปอยู่บ้านอย่างคุณแม่ไม่กับพี่สาวก่อนที่ที่นอนนะคะพระอาจารย์แล้วก็ค่อยว่ากันอกนีกทีว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็คงไม่มันไหลที่เขาจะอาจจะเป็นภูกเก็ตไม่ก็เขาใหญ่ะค่ะอาจารย์ชอธรรมชาตินะชออยู่ธรรมชาติคิดว่าคงไม่ไม่อยู่กรุงเทพจัง okay, กรุงเทพกค่ค่ ะ, คะพะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง แเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะพรอาจารย์ก็ก่อนจากนี้ก็คงจะแบบจากที่เคยอยู่แบบนิ่งๆอยู่กับที่มาเป็นเวลานานตอนนี้ก็เริ่มจะต้องแบบย้ายถิ่นไปเรื่อยๆค่ะค่ะอาจารย์พย้ายชั่วครับเดี๋ยวพอได้ที่ที่เราต้องการเราก็อยู่ก็ต้องเซ็ตเติร์นให้ได้ค่ะพอาจารย์ก็เลยตอนนี้ก็เลยจะแบบวุ่นวายนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ก็คง นั่งส ม, สมาธิได้ช่วงเช้าค่ะแน่นอนค่ะพระอาจารย์แต่กลางวันก็ยุ่งๆค่ะพระอาจารย์ไม่าใช้สติไปค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ที่บ้านก็อยู่แบบไม่มีอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ <laughs> แ, แบบแทบจะนั่งถื้นแล้วค่ะพระอาจารย์สเตจจิ้งเขาเอาเฟอร์นิเจอร์ออกไปหมดแล้วค่ะอาจารย์ดีเยีอยู่แบบวัดท่านดีอันนี้แบบว่าอยู่แบบไม่มีอะไรคร่ะพระอาจารย์ต้องไม่หักเก่ หาโต๊ะเก่าๆมานั่งกันกินข้าวค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะพระอาจารย์กินกับเพื่อนก็ได้อ่าก็ไปหากล่องกล่องใส่ของอะไรเงี้ยค่ะมาวางวางค่ะพระอาจารย์ดีค่ะพระอาจารย์รู้สึกแบบรู้สึกว่ามันโล่งค่ะพระอาจารย์เนี่ยหละเขามน้อยสันโดษเป็นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ง่ายๆค่ะพระอาจารย์อก็ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ยังพยายามรักษา สติแล้วก็พยายามแบบปฏิบัติให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์ตามเหตุปัจจัยค่ะพระอาจารย์อืมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีภาละน้อยไปเทั้งนั้นยิ่งมีมากพระอาจารย์าารยิงมีมากขึ้นไปค่ะพระอาจาร ย, ากาารย์ก็ตอนนี้ก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่อยากจะไม่อยากจะยึดติดอะไรทั้งนั้นนะคะพระอาจารย์จากสมัยก่อนที่เคยมีแผนไว้ว่าจะแบบหลังจาก นี้คือจะไปกลับไปอยู่เมืองไทยจะต้องอยู่แบบนั้นจะต้องมีสวนจะต้องทํามันมันหายไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์อ่าพอให้มันอยู่สบายก็พออยู่แล้วสบายก็พอค่ะพระอาจารย์ให้มักน้อยสันโดษแบบที่พระอาจารย์สั่งสอนค่ะยังไม่มีอะไรเลยมีแล้วมีสวนทั้งวั น, นดูแลสวนเองไม่เอาแล้วค่ะแบบมันรู้สึกว่ามันมีแล้วคำว่ามีมันทําให้ทุกข์ค่ะพระอาจารย์ใช่มีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่มีค่ะอาจารย์ เป็นความสุขแค่ประเดีวประหด้าเราเนาะเพราะเรามีสวนน่าอยู่เราก็อยู่กับมันก็จําเจไปเห็นไหมค่ะอาจารย์ไม่เอาแล้วค่ะดีให้มีเท่าที่จเป็นพอเอาความสุขจากจากรนะความสุขเป็นจากสิ่งต่างๆเลยสิ่งต่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะเพียงแต่มันมาในรูปแบบของความสุขแต่พอได้มันมาเราถึงจะรู้ว่ามันทุกข์ ค่ะพระาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ที่แบบน้องที่สั่งสอนมาค่ะะอาจารย์ไม่งั้นก็คงจะวงเวียนอยู่กับความยึดติดในสิ่งต่างๆนะคะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะพระอาจารย์ทขันแข็งแรงนะคะก็คงยังต้องเจอกันอีก ไม่แน่ใจว่ากลับไปเมืองไทยจะเข้าซูมได้หรือเปล่านนี้ไม่แน่ใจค่ะกอได้อยู่เมืองไทยยิงง่ายอ่ะเดีนี้เมืองไทยมือถือเขามีมีมีเครือข่ายเต็มไปหมดคือยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่บ้านบ้านที่สาวเราอยู่บ้านแม่ที่อยู่ห้องไหนยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยค่ะแบบอยู่ตรงไหนก็ได้นะค่ะอาจารย์ได้ไม่ยากครับค่ะถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ดูค่ะดูย้อนหลังไปก่อนะค่ะอาจารย์ค่ะ ฝ่ายพระอาจารย์ถ้าแ ข, ข็งแรงนะคะใช่ถูกสันนี่แมนก็ยังไงอยู่กรุงเทพอาจจะย้ายไปอยู่ใจในวันน่ะค่ะคอยากย้ายไปอยู่ชนบุรีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าน่าจะยังยังไม่ได้ย้ายยังไม่ได้ไปคะ่ะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะ่ะอยู่ที่ใจเราค่ะพระอาจารย์ใจเราท่าน ถ้าเราเลือกที่มันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆพอไปอยู่ตรงนั้นก็อยากจะไปตรงนู้นต่อแต่ถ้าเราทำใจให้มีความสุแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารยออ์หนูอยากทราบว่าเวลาพระอาจารย์ปฏิบัติด้านอสุภาพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรล่ะคะอ้าวก็นึกถึงอาการสาริสสองนึกถึงสรางศพเวลาเห็นน่างกายของใครเห็นใครก็ เราก็พยายามกําหนดให้ดูเข้าไปทะลุดใต้ผิวหนังทเขามันจะเห็นแต่เฉพาะภายนอกเห็นช็อปเห็นทั้งข้างในด้วยเห็นผมกเห็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตับพังพ้งผืดตายปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่าหารเก่าเนี่ยแล้วก็คิดถึงว่าถ้าเขาตายไปศพก็จะต้องกลายเป็นศพที่เน่าขึ้นอืดขึ้นมาผุพอง มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วต่อไปก็แห้งกรอบกลายเป็นกลายเป็นดินไปนี่การพิจารณาน่างกายให้ดูว่ามันไม่สวยไม่งามเพื่อไม่เกิดการอารมณ์แล้วเวลาพิจารณาพระอาจารย์พิจารณาตลอดทั้งวันเลยไหมคะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ามันมีโอกาสทำไมบางทีมันก็มีเรือดอึนเข้ามา ก็พยายามคิดอยู่บ่อยๆให้มันไม่ลืมไม่ไม่หลงไม่เลือมให้มันติดเป็นนิสัยเวลาเรามองเห็นร่างกายก็ต้องให้เห็นสามสิบสองเห็นซากศพเดินมาเลยร่างกาย้นี้เป็นศพศพเดินได้ดีๆนี่ศพที่ยังมีลมหายใจอยู่พอไม่มีลมหายใจแล้วเราจะปล่อยให้ร่างกายของคนที่อยู่กับเราเนี่อยู่กับเราต่อไปได้อป่าไม่ค่ะแม่ค่ะเห็นไหม การทั้งตายใหม่ๆก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมเคยนนี้บางทีก็ไม่ไม่ให้อยู่เลยใช่ไหมแต่เรยังมีลมหใจอยู่อยู่ได้ฮะค่ะอาจารย์ถ้าท่านที่ร่างกายมันก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยอะไรแต่เราไม่เอาแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมค่ะอาจารย์พยายามอาความรู้สึกนั้นมาใส่ใจเราเวลาเรามองเห็นใครคิดถึงกันท่างกายเวลาที่เขาไม่มีลมหายใจแล้วเราอยังจะไปรักไปชอบเขาอยู่หรือเปล่า อันนี้มีไว้เพื่อกำจัดการมลาะความอยากมีแฟนพอเห็นว่าแฟนเป็นผีเดินได้นี่ก็ไม่เอาละแล้วที่เอ่อถ้าที่พระอาจารย์เคยบอกว่ากำหนดไฟเป่าล่างอันนั้นถือเป็นอัสุภาด้วยไหมคะอันนั้นมันเป็นการพิจารณาทุกเวทนาความเจ็บป่วยของร่างกายกับ สมมติว่าความเจ็บนี่มันเหือนไฟกําลังเผาร่างกายเราไปแล้วเผาไปจนกระทั่งร่างกายมันก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแต่มันก็ได้ทั้งได้มันก็ได้ได้เห็นว่าร่างกายมันก็เป็นแค่ธาตุธาตุดินน้ํำลมไฟพอไฟเผาธาตุน้ําก็หายไปธาตุลมก็หายไปธาตุไฟก็หายไปก็เลยแต่ธาตุดินกองอยู่ที่พื้นที่กุฏิ อ, นนอันนี้เห็นเป็นธาตุเห็นเป็นธาตุด้วยแล้ววิธีพิจารณาทุกเวทนาด้วยก็ต้องการจะปล่อยให้ทุกมันมันมันจะเจ็บยังไงก็ปล่อยให้มันเจ็บไปไม่ไปยุ่งมันค่ะพอาจารยแล้วก็จะเห็น <c oughs> เห็นอนัตตาไปในตัวและร่างกายมันแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไป่ <c oughs> <c oughs> อนดีดีดีดีนี่ <c oughs> ยังไงเวลาเอาร่างกายไปเผาต้องเหลืออะไรเหลือคิดเท่าเหลือเศษกระดูกค่ะอาจารย์ธาดินมีตัวตนไหมไม่มีนะใช่ค่ะพระอาจารย์อแต่ถ้าอยากพิจารณาสุภาพต้องดูว่าความไม่สวยงามดูโครงกระดูกเนี่ยให้ใครเดินมาก็คิดถึงโครงกระดูกเขาถ้าไม่มีร่างกายไม่มีโครงกระดูกนี่มันจะเป็นยังไง ร, รู้ไหม จะเป็นไงถ้าภาพอย่างไงรกอต้องกองอยู่กับพื้นใช่ไหมช่คะ่ะเละเทะเป็นเหมือนแมงกะพันเลยใช่ไหมค่ะแมงกะพันนั้นไม่มีกระดูกใช่ไหมใช่คะ่ะพระอาจารย์ร่างกายของคนเรานี้ถ้าไม่มีโครงกระดูกมันก็เหมือนกแมงกะพันนะแขนยังมีอยู่อะไรอย่างนี้แต่มันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ตั้งเป็นเป็นนัําเป็นสันเหมือนตอนที่มีโครงกระดูกนะค่ะพระอาจารย์อือนะ เรากำลังเห็นโครงกระดูกเดินมาแต่เรามองไม่เห็นงันเรามองเห็นว่าคนนั้นเป็นใครชื่ออะไรมีฐานะอะไรมีตําแหน่งอะไรนอันนี้เป็นของปลอมใชนะั้นของจริงไม่ไม่มองกันของจริงก็คือโครงกระดูกเดินได้มาแล้วผีดิบมาแล้วผีที่ยังหายใจอยู่ใช่ไหมแซรกศพแทกศพเดินได้ด เวลาไปดูเขาเขาปรประกวนนางงามมันดูซากสมเดินออกมาค่ะ <laughs> พระอาจารย์จะน้อมนําไปฝึกปฏิบัติค่ะออยู่ที่เรามองมองมองข้างในก็ได้มองข้างนอกก็ได้ถ้ามองข้างนอกก็สวยงามน่าดูน่าชมพอมองเข้าไปข้างในก็ไม่สวยไม่งามถ้ามองตอนตอนที่ตายไปแล้วก็ไม่สวยไม่งาม ดูเพื่อกบจัดการมอารมณ์ความที่อยากจะมีแฟนอยู่คนเดียวไม่น่าเหงาพอเห็นร่างกายของแฟนมันเป็นเหมือนซากศพมีอาการหายสองนี่ไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าการอารมณ์นี่มันร้ายกาจมากเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ถึงต้องใช้พับต้องเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็พระนาคารีถึงจะพ้นจาก ใช่ใช่เพราะว่ามันมันเป็นจุดที่ดึงให้เรามาเวียน่ายตายเกิดกันนะแต <c oughs> ่ไหขอมูลนี้ไม่ต้องสอนใครเลยใช่มถึงเวลาก็อยากจะมีแฟนกันแนละ้ว <c oughs> ถึงเวลาก็อยากจะแต่งงานกะันล้วแต่พอแม่แต่อแคอยห้ามอยู่แล้วยังไม่ยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวนี้บางทีอายุสิบสองสิบสามขวบก็มีแฟนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในโลกของกลางเราอยู่เามาเกิดในโลกของกลางกลาง ม, มาพบโลกมนุษย์นี้เป็นโลกของกลาง ม, มาพบ <c oughs> อยู่อยู่กันเพื่อเพื่อมาเสกกลามมาเกิดเพื่อมาเสพกลามกันถ้าอยากจะออกจากกลาง ม, มาพบก็ต้องใช้อสุภะหยุดหยุดเสกกลามก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในกลาง ม, มาพบก็ไปเป็นพผ้านาคามีไปเกิดในรูปภพอรูปภพแทน ใจอย่อันนี้เหมาะกับสอนน ผ, ผู้ผู้เป็นนักบวชเพราะนักบวชนี่มีแฟนไม่ได้เวลามีแฟนนะผ้าผ้าเหลืองมันจะร้อนขึ้นนะนึกท่านนึกอย่างมีแฟนขึ้นมาเมื่อหล่ะมันจะร้อนแต่พอใช้อาสุพะเข้ามามันก็ทําให้ใจเย็นลงนักบวชนี่เขาสอนให้พิจารณาร่างกายตั้งแต่วันวันบวชเลยในพิธีเลยสอนกรรมาฐานห้าก่อนสอนผมขนเน้ฟันหนังก่อน ก็ที่จะลาไปต่อยอดเวลาบวแล้วครับพิจารณาการต่อจากอาการผมขนไมบฟันหนังก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงให้ครบอาการ32ถ้าเห็นอาการครบ32แล้วการมารมณมันก็จะเกิดขึ้นมาได้ยากก็จะไม่ไม่เกี่ยนกับการปราชิกไม่ไม่ราชิกไม่ไม่ไปทำผิดสินข้อต่างๆ ก็จะอยู่ได้อย่างสบายพวกที่ศึกษา ก, กันไปพัญญาก็สึกพ่อกรรมนั่นแหะแต่ก็อ้างพอ่ออ้างแม่อ้างงานอ้าอะไรต่างๆไปไม่มีใครบอกผมสึกว่าอยากจะไปเสพกรรมแล้วคนะ <c oughs> สู้ไม่ไหวใช่ไหมคะออสู้ไม่ไหวปิดกันไม่ไหวเหมือนคนที่ไม่ได้กิน น, น้ํำคนที่อยู่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยพอเห็นพอเห็นบ่อน้ําขึ้นมานี่วิ่งกระโดดเข้าใส่เลย แต่ถึงจะยากแต่ก็ก็ก็เป็นไปได้ที่เราจะสามารถละ ก, กามมาลาขาดได้ใช่ไหมคะอืมก็พรนะอนางคามีพระอรหันตทั้งหลายทั้งการละ ก, ก็ได้อยู่ที่เราขยันพิจารณาสุภะหรือไม่ น, นั่นเองพิจารณาบ้างก็บ้างอะพิจารณาอยู่บ้างก็ว่าแต่ก็ยังไม่เห็นชัด <c oughs> ใช่ไหม เห็นขายยังยังนึกไม่ออกเวลาเห็นคายนี่นึกไว้ถึงอสุภัสเลยใช่ใช่ค่ะยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพระอาจารย์พยายามดึงมาค่ะเวลาเห็นภาพสวยๆหรืออหรือดาราหรืออะไรอย่างนี้ที่เรารู้สึกว่าสวยหล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามนึกแล้วก็พยายามพยายามเพิ่มมองเห็นคนก็พยายามนึกเป็นโครงกระดูกอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เออาจะไปเปิดหนังสือกายคตาสติของน้องตาดู ค่ะ<ม>แต่ว่าก็ควรมีค่ะพระอาจารย์หนูดูนหนูดูบ่อยค่ะแล้วก็ไปดูพวกในยู u ู e ที่เกี่ยวกับศพเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ด้วยค่ะอืมนีือพวกนี้ต่อไปมันจะฝังในใจเราเมื่อเราเห็นภาพสวยๆงามภาพพวกนี้ก็จะโผล่มามาต้านทันทีมาลบทันทีค่ะแต่ยังไงการละที่ละเอียดละเอียดละเอียดก็คือต้องต้องมี ต้องมีสมาธิเป็นฐานใช่ไหมคะก็มีส่วนถ้าไม่มีสมาธิแล้วก็ยังหยุดถึงมันจะเห็นว่าไม่สวยงามก็ยังอยากอยู่เหมืนได้แค่จำจําได้เฉยๆพอเผลอปั้มมื่อไหร่มันก็มันก็เกิดความอยากขันมาได้ทันทีแต่ถ้ามีสมาธิด้วยมันก็จะหยุดความอยากได้ค่ะพระอาจารย์หนูก็จะไปฝึก ทั้งสองอย่างคะ่ะสมาธิก็ยังไม่รอดกระั น, นนี้เอ่อาปัญญาตาไปเรื่อยๆสินสลารถิปัญญาชาตัวนี้นะค่ะแระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอสาธุอคุณจบโกเบไปยังไงจบในวัฒนการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ได้คําตอบเยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เย อ, อะค่ะคำตอบอลไรเช่นคำตอบเรื่องการพิจารณาอาสุภาษะค่ะพระอาจารย์อื อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูสอบตกค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 2> คือคือหนูปีนี้ก็เป็นสายปีหนูตั้งใจถึงศีลแปดนะคะแล้วก็เวลาไปทํางานนี่ก็คือเมื่อก่อนพอาจารย์เคยสอนหนูว่าให้อ่าเหมือนเล่นละครไปแต่งหน้าแต่งตาไปก็ได้เพราะเราเล่นละครทํางานก็คือทํางานแต่ปีนี้หนูตั้งใจว่าเนี่เราลองไม่ทําดูอย่างเนี่ยนะคะหนูก็ตัดผมสั้นแล้วก็คิ <Yeah. S 2> ้วก็แบบ คือไม่ทาไม่ไม่ไม่เสสวยไม่เสริไม่ใช่เสรไม่เสมสวยเลยอ่ไม่เหมือนนักเหมือนเหมือนเป็นนักเรียนสมัยที่เรียนนักเืียนชั้นมัธยมนะเป็นหนูหินอาจารย์แต่ว่าที่สอบตกเพราะว่าพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์เพื่อนหนูสมัยมหาลัยอะค่ะเขามาเยี่ยมที่บ้านก็คือมาแวะแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปพวกกันหน่อยแล้วพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเขาเอาไปโพสต์ลงในเ facebook อะค่ะอาจารย์ แล้วอย่างนี้พอเพื่อนหนูที่อยู่มห า, า, าลัยอะค่ะอาจารย์เขาก็แบบมาเห็นรูปหนูปัจจุบนันเขาก็ตกใจว่าทำไมเปลี่ยนไปอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มันก็มีเหมือนมีความรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็มีความรู้สึกอ่าไม่แล้วก็มีเพื่อนบางคนเขาก็แบบไปเหมือนบับบับขึ้นมาว่ามาโพสตว่าประมาณว่าเมื่อก่อนฉันอย่างงี้นะตอนนี้ฉันอย่างนี้นะสวยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะ มันก็เลยทำให้หนูรู้สึกอ่ะแต่ละคำย้อนสอนเมื่อก่อนเราสวยเด <c oughs> ี๋ยวนี้เราไม่สวยนะใ <c oughs> หนูก็แบบมีวันนั้นวันหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> หนูคุนกีตัวเองทาไมวะหรือเอ๊ะเราถือซิแปดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็มันก็มันก็ผ่านมาได้ค่ะอาจารย์ก็นั่งสมาธิเอาเาน้นความสวยทางใจข้างในสวยข้างในค่ะความสวยข้างในนี่เป็นความสวยที่แท้จริงความสวยที่ยั่งยืน <c oughs> คนที่ซื่อสัต์สุจริตกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตคนไหนน่าคบค่าสมาคมกับกัน คนซื่อสัตว์ก็ค่ะใช่ไหมอ่าสวยทางใจถึงแม้ร่างกายไม่สวยแต่ถ้าใจสวยนี่ใครๆก็อยากจะคบก้าสมาผมด้วย <Okay. S 1> หน้าตาสวยแต่ใจไม่สวยเนี่มีใครอยากจะคบด้วยไหม mm hmm. ถ้ารู้ว่เป็นคนโกหกเหลาเออเป็นคนที่ชอบโกงนี่อย่าไปคบเขาป mm hmm. ่ะ<ช>คิดอย่างนี้เราจะได้มีกําลังใจเราเน้นความสวยทางใจสวยด้ mm hmm. วยศีลธรรม ไมไดสวยทางน่างกายนั่งกายยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่อยู่ดีนะใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> ถ้าใครอยาจะคบกับเราว่าครบต้องดูที่ใจถ้าดูที่กายก็อย่ามาคบกับเราไม่ว่ากัน <c oughs> จวสอบตกไปวันหนึ่งจ้าค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็กลับมากลับมาเหมือนเดิมได้แล้วจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคก็ปฏิบัติอยู่จ้าค่ะพระอาจารย์นิธิเอาเนื้อแน่มั่นคงกับศีลธรรม จนธรรมนี้ปกป้องใจเราไม่ให้ไปตกลงต่ำไม่ต้องไปเกิดในอบายผู้ที่สวยด้านร่างกายนี้แต่จิตใจโกหกเราลงนี้ก็ตายไปใบอบาย <c oughs> นะเข้ใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์หนุกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคสาธุอบคุณปุ้ย่อรักษัมเบรก คุณพูดมีาสุภาพเ่าเห็นเห็นตัวเองเป็นหาสุภาพหรือยัง <c oughs> กลับนมัฒกรรเจ้ า, าพระพเจรย์ยมเห็นตัวเองเป็นคนกระดูกตั้งแต่สองปีที่แล้วที่ยมเล่าให้พระอาจารย์ฟังอืม <c oughs> ยังต้องแต่งยังต้องแต่งหน้าทาปล่าอยู่ <c oughs> อ๋อว่าเอ่อยมบอกกับพระอาจารย์ว่าก่อนห้าโมงอ่ะยมสือสินเจ็ด แต่ว่าเรื่องทานอาหารตอนเย็นนี้ยมยมไม่มีปัญหายมไม่เคยทานเย็นเลยนะอืมอืมแบบคือคือคือคนที่เนี้ยเขายังไ่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถึงจะเป็นฝรั่งเขาก็ยังนิยมแล้วเราเราเร า, เราหัวเดียวกับทีมนิดเราต้องเลี้ยงเลี้ยงอาชีพอะเลี้ยงตัวเราพดเราก็ต้องเราก็ต้องคลอยตามเข้าไปตามบรา ย, ยานนะใช่ค่ะต้องยกเว้นตรงจุดนี้แล้ว แต่โยมโยมไม่ติดสินนะคะเรื่องเรื่องเรื่องอื่นๆโยมไม่ผิดสินและโยมก็ปฏิบัติแล้วที่ผ่านมาหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์นี้โยมก็เล่งปฏิบัติอย่างมากโยมก็มีเรื่องแค่ว่าเครียดเท่ากับกับลูกเพราว่าลูกมันดื้อพ่อพจา๋า <c oughs> <c oughs> ก็เลยปล่อยป่อยมั่คือว่าเขาแบบเขาไม่ค่อยฟังอะไรอย่อยอยางเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบปล่อยปล่อยบ้าแเราห้ามเขาไม่ได้เปลี่นเขาไม่ได้จริงค่ะสอนสอนเขาแล้วก็หมดหน้าท <c oughs> ี่ของเร <c oughs> าไป <c oughs> จริงค่ะเพราะโยมก็ปรงแล้วว่าโยมว่าเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวลงศพก็ใส่แค่คนคนเดียวไม่ได้ใส่สองคนแล้วดีที่สุดแล้วเพราะว่าเอก็ทำหน้าที่อย่างที่ดีที่สุดแต่ว่ า, เ, าเขอ่เขาไม่ทำลงศพสำหรับคู่สักสักทีนะแต่เ น, นียโรงแรยังมีเตียงคู่เตียงเดียวแต่แต่ลงศพก็ไม่มีลงศพคู่ลงศพเดียวนะ ใช่ยมก็คิดอย่างนี้นะยมก็เลยเลยปรงได้ว่าโอเคนะเราไม่โกรธเพราะว่าเวลาที่แบบเขา อ, อารมณ์เสียมาอะไรอย่างนี้ยมก็พยายามจะถอยถอยออกมาเพราะยมก็ต้องกราบขอบพระคุณในพระอาจารย์ที่ว่าสั่งสอนทำให้ยมใจเย็นขึ้นยมรู้จักระงับสติอารมณ์ก็ถอยออกมาตั้งสติแล้วก็แล้วค่อยค่อยค่อยพูดไม่พูดตอนนั้นเลยเพราะยมเป็นคนอารมณ์ลบยมก็ตั้งสมาธิ ให้ใจเย็นก่อนให้เราก็จะพูดอะไรให้ราให้ใจเย็นๆกันใช่ค่ะคือคือยมได้ข้อคิดจากพระอาจารย์ว่าให้คิดก่อนพูดให้คิดก่อนกระทำแล้วก็ทาให้ยอมใจเย็นขึ้นและมีสติขึ้นฉลาดขึ้นนะคะแล้วพระอาจารย์คะยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยมนั่งสมาธิแล้วยมไม่ได้หลับนะยมยมปิดตาอย่างเนี้ยแล้วยมเห็นในหลวงอะ่ะ ใส่ชุดสีทองทองอ่ะมาหาโยมในหลวงรอก้านี่สามเย็นรสิบนะฮะท่านมียืนอยู่ตรงหน้าโยมแลนะแล้วโยมก็เอ๊ะเราไม่ได้ฝันหว่าเพราะว่าโยมเปิดเอ่อพระอาจารย์อ่ะฟังตอนตอ น, ตอนที่โยมนั่งสมาธิเนะี่ยโยมจะเอาคําสอนพระอาจารย์อ่ะฟังอันเก่าๆนะฮะแล้วทีนี้โยมก็เอ๊ะมันไม่ได้ฝันหว่าเราก็ไม่ได้หลับนี่หว่าเราก็นึกขึ้นตอนตอนตอ น, นั่งสมาธิเสร็จแต่แต่โยมอนะ่ะ เห็นท่านพูดกับโยมแต่ปากท่านไม่ได้เปิดและโยมก็พูดกับท่านแต่ปากโยมก็ไม่ได้เปิดแต่โยมรู้ว่าท่านพูดอะไรกับโยมมันแปลกตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์อ๋ออย่าไปกังวลเลยธรรมดาแค่นั่งสมาธินี่ภาพอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมันไม่ได้ประหามันจะเป็นจริงเป็นจังอย่างที่มันปรากฏแต่โยมก็รู้ว่ามันแค่เป็นภาพเหมนกับภาพในฝันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปอ อย่าแมวจริงอาจันมามันใช่ค่ะโยมก็โยมก็จําได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเห็นอะไรให้ให้ให้ปล่อยให้วางเออแล้วก็ให้เลื่โยมก็ปล่อยวางไปพิจารณาไปตายรักไปนิจจ์ทุกครั้งหน้าตาแปบางวันโยมก็นั่งสมาธิแบบยาวและดีดีแต่บางวันโยมก็มันเหมือนตัวขี้เกียจมันมาเกาะโยมมาพระอาจารย์อืมก็ต้องพยายามผลักดันมันไปมันนักขี้เกียจก็ต้องพยายามผลักมัน ใช่โยมจะมีบรลางของโยมนะฮะโยมจะสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิต้องวันหนึ่งจะต้องนั่งให้ได้มากกว่าสามสี่ชั่วโมงและวันไหนที่โยมนั่งอย่างเมื่อวานโยมนั่งมาเกินสี่ชั่วโมงแล้วก็คือโยมจะเห็นแบบจิตมันนิ่งมันสงบและคือคือมันโยมบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นความสุขอะที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้อง เดินทางไปไหนแต่ไหนแต่มันมันเป็นความสุขที่มันอยู่ในข้างในอะ่ะโยมก็อธิบายมไม่ถูกความสุขใจเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องไปไหนใช่ค่ะและโยมก็รู้สึกว่าเอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่โยมปฏิบัติเนี่ยคือสามารถคุ้มครองโยมได้ตลอดเพราะว่าโยมป่วยนะคะพระอาจารย์โยมนั่งสมาธิแล้วแบบมันมีอะหัวโยมอะมันร้อนรอนอะโยมบอกพระอาจารย์ตั้งแต่นสะัปดาห์ที่แล้วโยมป่วยแล้วมันร้อนร้อร้อนรนอะ เหมือนมีเหมือนมีไอ้ไอ้ไ อ, ไ อ, ไ อ, อ้ไฟอะไฟฟ้าช็อตอยู่หัวโยมอะโยมก็ไม่รู้โยมเป็นอะไรอ๋อไม่จะไป<ม>สนใจอาการต่างๆนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องอนิจจังทุกขนันทหน้าตาทั้งนั้นนะเดาไปครอบคุมบังคราเป็นไม่ได้ให้รู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางก็พอ <ยม S 1> <Okay S 2> โอเคนะใช่พระอาจารย์โยมมาถวายบนกับพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมโยมจะมาขอพรโยมอะ จะมาขอพรกับอาจารย์ให้สุขใเจริญให้ร enfin okay. okay. anyway uh 有有 <S <s ่ํำรวยโอเคขอให้พระอาจารย์ธาตุแข็งแรงเจ้าค่ะจ้าสาธุไปที่ป네ูเป้ต่อูเป้มีอะไรไหมจับน้ำมันชการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้าค่ะของหนูก็ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์คะของหนูก็ตอนนี้วันนี้ก็ไปพบแพทย์อะคะ่ะเกี่ยวกับปัญหาก็คือมันตายทั้งซีกใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วเหมือนหมอเขาจะปื้นข้างนี้ขึ้นมานะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยเอากล้านนี้ที่ขาขึ้นมามันเริ่มตื่นนะคะพระอาจารย์ก็เลยได้เห็นร่างกายนี้เหมือนต้นไม้เหมือนเป็นนายเนี่ยค่ะแล้วก็เอาก้าเนี้ขึ้นมาปลูกใหม่เนี่ยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยได้เห็นแบบต้อง กายภาพปกติทุกผาสมองก็คือกายภาพบําบัดร่างกายใช่ไมหมเจ้าคะอาจา์พอมาผ่าตรงนี้เพื่อให้มันฟื้นขึ้นนะคะก็เป็นกัดฟันกายภาพตรงปากนี่ยละค่ะอาจา์แล้วมันก็เริ่มกลับมาเหมือนกลับมาเหมือนมีชีวิตขึ้นอย่างนี้นค่ะแต่ตอนนี้มันยังเป็นทารกเป็นเด็กอย่างนี้อยู่ค่ะอาจา์ต้องกัดฟันไปเรื่อยๆแล้วก็เลยได้คุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดนะคะอ า, าจา์ แล้วทีนี้พอดีมันไม่ใช่แค่ตรงมุมปากนั่นเดียวพอาจารย์เรื่องผ่าสมองอย่างนี้นะคะ่ะถ้าก้อนเนื้อโตขึ้นก็จะผ่าเปิดกะโหลกอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่ห้าคุยกับอาจารย์หมอะคะ่ะหนูก็เลยว่าโอเคแต่ว่าพ่อกับแม่เขาบอกว่าโอ้แบบคนรอบข้างเขาแบบแบบเหมือนประมาณว่ายามขาเลยอะไรอย่างนีนะะ้แต่ว่าของมันเป็นสิ่งที่ได้ทดสอบตรงที่ว่า ตอนที่หนูฟังทำจากพระอาจารย์แล้วหนูเปผ่าตัดหนูไม่ค่อยเจ็บปวดร่างกายค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนผ่าสมองมันจะมีปัญหาคือตอนใส่ท่อช่วยหายใจมันจะเจ็บโคลงมากอะค่ะแล้วถ้าได้ผ่าอีกหนูก็จะได้ทดสอบอีกรอบนึงค่ะพระอาจารย์จะได้ไม่หนีแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคเใช้อุเบกานะสักแต่ว่าไปโอเคน้องเอินคนสุดท้ายพอดีวันนี้ เป็ไงข่าววันครูบาอาจารย์ก่าวนวัตการข่าวหาอาจารย์เมื่อกี้พระอาจารย์เป็นเรื่องที่หนูเคยเล่าให้ฟังไว้ก่อนเนอะอะไรนะคะพระอาจารย์โทษทีเอองไม่ค่ยได้ยินค่ะเรื่องที่วัดเนี่ยวัดของพระอาจารย์ท่านอ๋อค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เอองพระอาจารย์ได้ตามข่าวใช่ไหมคะก็ไม่ได้ติดตามไปแต่ได้ยินแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ทราบอะไรเลยได้ ก็เอิงก็ยังพูดอะไรไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าพาดีมันยังอยู่ในกองปราบอยู่ค่ะพระอาจารย์อืแต่ว่าเนื้อเนื้าซมันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมค่ะแต่ว่าเอิงแบบยังพูดอะไรไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าพระอาจารย์สบายใจได้เอิงเอิงโอเคมากค่ะเอิงทําทุก อ, อย่างตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะเป็นไม่ได้ใช้เวทนาหรืออารมณ์ในการจัดการเรื่องนี้ค่ะ อ่ดีใช้คํามซื่อสัตย์สดชืิตไว้กันแล้วกันเราจะปลอดภัยขอบคุณค่ะอาจารย์งั้นงั้นวันนี้เออ ง, งยังไม่ส่งกันว่านิดกว่าเดี๋ยวพาอาจารย์เดี๋ยวดึกค่ะไม่เป็นไรไมีอะไรก็ส่งมาเลยนะก็ก็ที่พระอาจารย์ให้เอองถามแชทจีวีทีค่ะว่าแบบ<ง>ว่า ให้นะคะให้ให้ถามว่าแล้ววิธีการพิจารณาปฏิกูลของอาหารจะพิจารณาอย่างไร อ, อ่ะค่ะอืมพระจะเอ่อมันตอบว่าเออจุดประสงค์ของการพิจารณาอาหารว่าเป็นปฏิกูลคือลดความกำหนัดความยึดติดในรสชาติลดความฟุ้งซ่านความอยากความตะกะทําให้เรามองอาหารอย่างมีสติเป็นเพียงเครื่องอย่างชีวิต แล้วก็พัฒนาความรู้สึกพอเพียงและวางเฉยแล้วก็มาแนะนําว่าวิธีการพิจารณาอาหาปฏิกูลของอาหารทีละขั้นหนึ่งก่อนจะรับประทานอาหารให้ตั้งสติเ อ, อแล้วก็ให้กล่าวในใจว่าอาหารนี้มีใช่เพื่อความเพลิดเพลินมีใช่เพื่อประดับมีใช่เพื่ออวดดีสองพิจารณาเหตุผลของการกิน วงเล็บแบบพระพิสุใช้ย่อมว่าย่อมบริโภคอาหารเพียงเพื่อระ ง, งับเวทนาเก่าที่เกิดจากความหิวและไม่ให้เวทนาใหม่คือความหิวเกิดขึ้นเพื่อดำรงชีพเพื่ออนุคอการปฏิบัติธรรมสมพิจารณาความจริงของอาหารว่าอาหารที่สวยงามเมื่อเคี้ยวแล้วก็กลายเป็นของบดเละในปากคือลงไปก็กลายเป็นของหมักบูดในกระเพาะ แปลสภาพไปเป็นของเสียปัสสาวะอุจจาระแล้วก็อันที่4พิจารณาปายทางของอาหารอาหารที่ดูดีในตอนต้นเมื่อย่อยแล้วจะกลายเป็นอุจจาระทุกสิ่งที่กินเข้าไปจบลงที่ของเหม็นนี่คือสิ่งที่เราใส่เข้าปากด้วยความพอใจแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสิ่งที่เราลังเกียจแล้วก็แนะนำบทภาวนาแบบย่อค่ะว่าปติ กูลังเมอาหารังอาหารนี้เป็นของปฏิกูลมนันแนะนําแบบนี้ค่ะเก่งมากใช่ได้อันนี้อ๋อเออไปคน้นคว้ามาจากหนังสือต่างๆที่มัอยู่ในอินเทอร์เน็ตแน่ใช่เออเขคิดว่าเขาน่าจะดึงมาค่ะแล้วก็เรียบเรียงคําตอบด้วยใช่ค่ะแล้วก็เหมือ น, อนแบบสไตล์ตอบเหมือนให้เอิงอ่านเข้าใจง่ายอะไรน่ะค่ะอ่าเด็ข อ, ดขอบคุณมากค่ะอาจารย์ เอามาใช้ได้ไหมเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าแบบเอิงน้ำหนักลดลงมากเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าเมื่อหิวแต่เอิงกินไปแล้วมือ้อนึงอ่ะเอิงก็รู้สึกว่าพอเห็นแบบเออเป็นอุจจาระเอิงก็แบบไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอย่าไปมืออย่าไปเวลาหิวอย่าไปคิดถึงอาหารในจานให้คิดถึงอาหารในถั โอเคค่ะนี่คือมองก่อนกดเนอิงพูดในออนไลน์แบบนี้ได้ไหมคะนี่ยมองประจันตตัวเองก่อนกดมากๆเลยค่ะเอิงอย่ามองอย่างเดียวจับมันดูด้วยก็ดีใช่ค่ะมองมองเพื่อให้จับ <S 1> <S 1> ไม่ใช่จําอย่างเดียวไปจับมันดูจะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงจะได้รู้เลยกู้าจับไหมกล้าจับไหมไม่คิดว่าไม่ไม่ น, าน่าเพราะเอิงขัดส้วมเองอ่ะเอิก็เไี้ ถูกแบอดถูกอยูแล้วเปล่าวพระอาจารย์จับต้นก้อนดูเลยเป็นยังไงบ้างเวลาเข้าปาเรามันจับได้ด้วยแล้วจับมันไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวจะลองดูค่ะโอเคนี่ไม่สกระปรกนะพูดธรามะให้ฟังค่ะเออเข้าใจค่ะพระอาจารย์ใจเรามันยังมันยังมีรักมีชังอยู่รักอาหารแต่ชังอุจจาระเห็นี่ย ครันี้มันก็ไปละของเงินเดียวกันทั่นเองข่าวค่ะอาจารย์เราใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วพิสูจน<อ>์ว่าเราเราไม่เล่าไม่ชังมันแล้วเรารเฉยๆล้วจับได้ทั้งต้นทั้งปลายต้นเป็นยังไงปลายเราก็จับมันได้แล้วจับต้นได้แล้วต้อจับปลายได้เนามันก็ทําให้เอิงรู้เลยนะคะว่าตอนเด็กอะ่ะเรากล้าจับอึดอุจะราตัวเองโดยที่ไม่ได้มีควา ม, มคิดหรือกรอบอะไร เพราะว่าตอนเด็กเราต้องจิ้มมันอยู่แล้วเออว่าอืมอะไยังไม่ไม่ไม่ไม่รู้ภาษีภาษาปะก็เลยจิ้มได้ทุกอย่างจับได้ทุกอย่างเดี๋ยวกลับไปเป็นดีอีกครั้งโอเคก็ต้องจับก็ได้เพลงนี้เพลงแต่พูดให้ฟังให้เฉยแต่ถ้าจับได้ก็ดีถ้าจับได้ก็ดีจะรู้ทำามมันมันน่ากลัวเลยค่ะที่มันจับมันไม่ได้ไง พราะเอองก็คิดอยู่ตอนทําความสะอาดโถส้วมนะคะว่าแบบเอองก็ได้ได้ทําความสะอาดมันแล้วก็โดนมัน อ, อย่างเงี้ยค่ะดี๋ยว จ, จ, จะได้ไม่หลงกับเรื่องอาหารนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอืม<า><า>ไม่ต้องไปถ่ายรู ป, <า>รปก่อนก่อนจะกินอาหารต้องถ่ายรูปอาหารในจานก่อนเก็บไว้เวลาออกมาไม่ยองถ่ <S <S ายรูปอ่ะครับอาจารย์โอเค ขอบคุณนะคะพระอาจารย์ในการนี้มีติดต่อลองนิดหน่อยโอเค่ okay. ขอบคุณพะ อ, อ, อาจารย์ทุกไปที่คุณเวลต่อเวอลามีคำถามอะไรไหมกราบนำมัสการ์ค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะกราบนำมัสการ์พระอาจารย์ครับผมปฏิบัติภาวนาอย่างสม่ำเสมอบางช่วงพบว่ามีอารมณ์ทุกเกิดขึ้นที่จิต แต่หาสาเหตุไม่พบครับอารมณ์ทุกข์ที่จิตมันเกิดขึ้นมาเองขอสอบถามว่าทุกนี้เกิดจากอะไรและเราควรพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างไรกับทุกนี้ครับก็ต้องหาเหตุให้เจอเหตุเก็มีมีเหตุสามตัวลนะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีไม่เป็นมันต้องมีความอยากอ ย, ากอย่างใดอย่างหนึ่งในสามความอยากนี้ ลองค้นหาดูเช่นอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหงาเนี่ยรู้สึกทุกข์อะไรเพราะนี่คือความอยากอยู่ใกล้คนอยากอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นเรอแล้ว่าถ้าทุกข์กับคนนั้นคนนี้ก็อาจจะเป็นความอยากว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปตามความอยากเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาคำถามคาถามต่อไปเจ้าค่ะ ขอพระอาจารย์เมตตาสอนการภาวนาเผากายตนเองว่าควรจะเผาอย่างไรควรจะเผาส่วนเดียวก่อนหรือทั้งกายครับอำใจได้ทั้งนั้น <คำ S 1> แตน่แต่มันต้องมีเวทนาก่อนนะถ้าไม่มีเวทนามันเผาก็ไม่มมันไม่เหมือนจริงมันต้องเจ็บก้นก่อนแล้ ว, ลวเริ่มจุดไฟลำก้นเลยให้มันให้ไฟลุกที่ก้นขึ้นมา คำถามสุดท้ายวิธีการเผากายนี้ทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติได้หรือต้องเป็นนักภาวนาระดับไหนถึงสมควรปฏิบัติวิธีนี้ครับก็ลองดูสิแล้วไม่มีใครรู้ว่าสอถ้าเผาได้ก็เผาถ้าเผาไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ ย, ไมยังไม่ถึงสติยังไม่มีกําลังไม่พอเพราะมันต้องเพ่งเพ่งอยู่กับความเจ็บเพ่งความเจ็บให้กลายเป็นไฟขึ้นมาแล้วไ่ขยับร่างกาย แล้วก็เริ่มจินตนาการว่ามันเริ่มลุกท่วมท่วมทุบลุกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายและจนถ้าในที่สุดมันก็ท่วมท่วมศีรษะไปคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคแล้วก็อย่าอันนี้มันต้องทําแบบไม่รู้ไม่ชี้นะถ้าไปคิดว่าต้องให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันมันาจะไม่เป็นก็นได้ผลนั้นต้องอย่าไปอย่าไปชี้แนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ ให้เราอยู่กับไฟอยู่กับเวทนาที่มันเผาล่างกายเราโอเคตอนเวลาก็หมดรอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านไนดะ้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ